เริญพ น, นทุกท่านธรรมะเนี่ยไม่เหมือนกันเียนวิชาทางโลกธรรมะแท้ๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ว่าใครฟังเนี่ยจะรู้สึกว่าพอดีกับเราอย่างเรามีความรู้ระดับนี้ฟังก็รู้เรื่องคนอีกระดับหนึ่งฟังก็รู้เรื่องนี่ ล, ลักษณะธรรมะของพระพุทธเจ้ามันไม่เหมือนวิชาทางโลกอย่างเราเอาของ รินยาเอกมาพูดให้เด็กฟังฟังไม่รู้เรื่องในขณะที่ธรรมะเนี่ยไม่ว่าใครนะฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจะมีความรู้สึกเหมือนท่านกําลังแสดงธรรมให้เราฟังจะพอดีกับเราแต่จริงธรรมะเป็นของกลางๆแต่ว่าใจของเราเนี่ยซึมซับธรรมะได้ระดับไหนแล้วเข้าใจระดับนั้นธรรมะนาความสุขมาให มีประโยชน์มีความสุขเดี๋ยวขอฉันน้ำกันนะเสียงไม่มีแก่แล้วไปบางที่นะคอแห้งเลยเนดะี๋ยวฉันน้ำขอยกน้ำมาให้นะร้อนจีเลยควันฉุยเลยนะแล้วก็ต้องตังไว้ก่อนเดี๋ยวเย็นแล้วจะจิ้มพอเย็นนะเขาก็มาเปลี่ยนถ้วยถนะ้วยนี้เย็นไปแล้วเนี่ยกรรมของพระนะ เวลอยากได้ร้อนๆจะได้เย็นๆอยากได้เย็นๆจะ ไ, ได้ร้อนๆ <c oughs> วิถีชีวิตของพระกับโยมไม่เหมือนกันของโยมอยากได้อะไรก็เที่ยวไปหาพระไม่มีนะพระจริงๆไม่มอยากอยากได้สิ่งนี้ได้สิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยที่บางบันอาหารไม่ถูกปากของเราอาหารไม่ถูกใจพระมีนะอาหารไม่ถูกปากเดินทั้งนานไม่มีใครใส่บาตร อาหารเลยไม่ถูกปากเลย <c oughs> ของเราอาหารไม่ถูกใจว <c oughs> ิถีของพระกับโยมเลยต่างกันวิถีชีวิตของโยมเนี่ยสนองความต้องการไปเรื่อยๆอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากทําอะไรก็ทําส่วนวิถีของพระวิถีของนักปฏิบัติเนี่ยวิ็ีแบบหนึ่งมันต้องฝึกตัวเองในภาวะที่ ความอยากเกิดขึ้นไม่มีทางสนองได้อยากฉันอย่างนี้ไม่มีให้ฉันอย่างนี้อยากมีแฟนก็มีไม่ได้งนั้นเวลาที่ความอยากใดๆเกิดขึ้นมาในใจของของนักปฏิบัติของพระของนักบวชมันจะเห็นทุกเห็นโทษอย่างคารวะเนี่ยไม่รู้จักกามาโทษรู้จักแต่กรรมคุณคิดว่า รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยนำความสุขมาให้ในขณะที่ชีวิตของนักบวชจริงๆนะอยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนนะอยากอะไรก็ไม่สมอยากงั้นเวลาความอยากใดๆเกิดขึ้นนะมันจะเห็นเห็นชัดว่ามันนำความทุกข์มาให้ของเราเนี่ยไม่ทันจะเห็นความทุกข์ความอยากเกิดขึ้นเราก็สนองความอยากไปก่อนเราก็เลยไม่รู้จักทุกข์ แท้จริงแล้วความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาความทุกข์เกิดที่ไหนความทุกข์เกิดที่กายกับที่ใจไม่ได้เปเกิดที่อื่นหรอกความทุกข์ในร่างกายเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นยกเว้นมันจะทุกข์มากๆเจ็บหนักจะใกล้จะตายอะไรเงี้ยเเห็นความทุกข์ในใจเกิดขึ้นทุกคราวที่อยากมีความอยากที่ไรก็มีความทุกข์ทุกทีแต่เราก็ไม่เห็น เรามีความอยากทีไรก็รีบตอบสนองทุกทีเลยรู้สึกสบายงั้นเราก็จะมองความทุกข์ไม่ออกว่าความทุกข์นี่มันแสดงตัวอยู่มันมีอยู่จริงๆอยู่ที่กายที่ใจนี่มีอยู่ตลอดเวลาอย่างร่างกายนี่มีความทุกขนะ์นั่งอยู่ก็ทุกข์นะนั่งแล้วต้องกระตุกกระดิกรู้สึกไหมต้องขยับไปขยับมาถ้านั่งนานๆเมื่อยมากต้องลุกขึ้นเดินเปลี่นยบบนี่นี่หมดเล นอนทุกไม่นอนใครนอนแล้วมีความสุขมากมีไหมพระอรหันนอนเนี่ยนะจะไม่รู้สึกว่าสุขเลยนะพระอรหันนอนเนี่ยจะนอนแก้ทุกมีทุกขเวทนาก็นอนทุกข์ก็ตามมาก็ขยับตัวนะในขณะที่คนหลงเนะี่ยชี้ว่าความสุขมันมีจริงคนที่มีสติมีปัญญาจริงเพราะว่าความสุขไม่มีมีแต่ความทุกข หายใจออกก็เพื่อแก้ทุกของการหายใจเข้าหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกของการหายใจออกลองหายใจเข้าให้ยาวที่สุดสิลองเราทดสอบดูว่าสุขหรือทุกหายใจไปหายใจเยอะอย่าหายใจออกนะใหายใจเข้าอย่างเดียวเลยทุกไหมไม่ไหวล้วใช่ไหยทำไมต้องรีบหายใจออกแก้ทุกที่เกิดจากการที่เราหายใจเข้ามาหายใจออกไปเรื่อยๆสิลองดูทุกไหม ไม่ว่ามันทุกข์อยู่ทุกขลมหายใจเข้าออกที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทุกข์อย่างนี้แต่เราไม่เคยเห็นพอมันหายใจเข้าไปทุกข์เราก็รีบหายใจออกหายใจออกแล้วทุกข์เราก็รีบหายใจเข้าเวลาเรายืนเดินนั่งนอนเราเปลี่ยนอินะริยาบถเนี่ยถ้าไมเปลี่ยนอิริยาบถเพราะความทุกข์มันเกิดขึ้นหรือนั่งอยู่คันเก่าโน่นเก่านี่ไปเรื่อยเรื่อยเราเกาไปตั้งแต่เล็กๆเราเก่าเป็นเราก็เก่าแะ้ะเดี๋ยวเก่าตัวโน่นเก่าตรงนี้ ทำไมต้องเก่าเพราะว่ามันทุกข์นี่คนทั้งหลายเนี่ยเวลาความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยไม่ได้มีสติปัญญาเห็นมันจะรีบบำบัดไปอย่างรวดเร็วเลยอย่างคันขึ้นมาก็เก่าไปเลยไม่ทันจะรู้สึกเลยว่าร่างกายนี้มันคันนั่งอยู่มันเมื่อยแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถขยับตัวขยับไปขยับมาเงนี้เลยไม่ทันรู้สึกไม่ทันรู้สึกว่ากายนี้มันทุกข์ งั้นถ้าเรามีสตินะั้นคอยะระลึกอยู่ที่ร่างกายเรื่อยๆเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันเหมือนเราวิ่งหนีหมาล่าเนื้อเหมือนวิ่งหนีอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราเหนื่อยเราหมดแรงเมื่อไหใ่มันก็ตามทันมันก็กัดเอาเราก็ต้องกัดฟันวิ่งต่อไปอีกก้นอนหนีออกมาห่างๆหน่อยก็รู้สึกสบายเดียวๆมันก็ตามมาอีกล้ ความทุกข์เนี่ยตามเล่นงานเราตลอดเวลาเลยเพอเราขยับตัวหนีไปเดี๋ยวมันก็ตามมาอีกขยับตัวหนีไปเดี๋ยวมันก็ตามมาอีกงั้นถ้าเรามามีสติเรากรู้อยู่ในร่างกายเนี่ยเราจะเห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกทุกอิริยาบถยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์เวลานอนเราก็ทุกข์เมื่อยตัวนอนพลิกไปพลิกมา คืนหนึ่งคืนหนึ่งนอนพลิกไปพลิกมาหลายสิบครั้งนะมีพวกที่นอนเราไม่พลิกก็พวกเปาา็นอมตะพลิกไม่ได้เราทุกข์ไหมทุกข์นตัวเน่าเลยพลิกไม่ไดนะ้ตัวเน่าเล ย, เ, เ, ลยเป็นแพลกกดทับเลยงั้นจริงๆแล้ ว, วความทุกข์เนี่ยตามเล่นงานเราตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่ดูเราเรีบบมบัดไปจนถึงวันซึ่งไม่สามารถหนีได้ วันที่หนีไม่ต่อไปไม่ได้แล้วหมดแรงที่จะหนีแนละ้มันจะเล่นงานเราจนตายสุดท้ายตายทุกคนเลยมันตามคยี้ตลอดไปละบางคนมันก็ตามมาได้เร็วนะอายุไม่เท่าไหร่ก็ตายแนละ้วบางคนก็ตามได้ช้าหน่อยอายุยืนหน่อยแต่สุดท้ายไม่มีเหลือถูกความทุกข์ฆ่าตายหมดทุกคนเลยนี่ถ้าเรารู้สึกอยู่ที่ร่างกายอย่างนียจิตใจจะหดหู่ไหมเท็นแต่ความทุกข์จิตใจจะไม่หดหู่นะ เราเห็นความจริงมากเข้ามากเข้าเนี่ยจิตใจจะคลายความยึดถือในร่างกายอย่างพวกเราเนี่ยเราไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุก์เราเห็นว่าร่างกายเป็นของดีของวิเศษของเรานะเมื่อเรารักเราหวงแหนมากพอร่างกายของเราแก่เราก็ว่าตัวดีของเราแก่ร่างกายเจ็บเรากว่าตัวดีของเราเจ็บร่างกายจะตายเราก็รู้สึกของดีของเรากําลังจะตายแนละ้วะ แต่ถ้าเราคอยมีสติเราเรืรู้เรียนรู้ความจริงในร่างกายนี้เรืเ่อยๆเวลาแก่เนี่ยไอตัวทุกข์มันแก่ตัวทุกข์มันแก่เราไม่เดือดร้อนนะเวลาเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บเราไม่เดือดร้อนเวลาจะตายตัวทุกข์มันตายสมน้ำหน้ามันนะงั้นอย่างเวลาพระอรหันตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเนี่ยวันที่ท่านจะตายเนี่ยจะเป็นวันที่ท่านผ่องใสเป็นพิเศษจะเบิกบานผ่องใส คล้ายๆภาระอันสุดท้ายเนี่ยกำลังจะวางลงไปภาระที่จะต้องดูแลรักษาขันเนี่ยหมดละต่อไปนี้จะทิ้งละจะไม่ได้รู้สึกสูญเสียอย่างที่พวกเรารู้สึกอย่างพวกเราเนี่ยกลัวความตายเพราะเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยว่าตายแล้วเราจะไปไหนอนาคตจะดีกว่า น, นี้ชาติหน้าจะดีกว่า น, นี้หรือเลวกว่า น, นี้เราก็ไม่รู้หรือบางคนก็คิดว่าชาติหน้าไม่มีถ้าชาติหน้าไม่มีเนความตายัองเราก็คือ การสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างงั้นความตายในฐานะในจิตใจของพุทุชนนะหรือกระทั่งโสดาสกตาคาอะไรเนี่ยถ้าเป็นพระรยาบุคคลยังไม่เท่าไหร่นะท่านมีความมั่นใจว่าอนาคตท่านดีกว่าเขางั้นจะจะไม่ค่อยหวั่นไหวอย่างพระอราหันต์นี่จะร่าเริงเลยถ้าโสดาสกตาคาพระอนาคานี่ท่านไม่หวั่นไหวท่านรู้ว่าชีวิตท่านจะดีขึ้นในข้างหน้าแต่อย่างพวกเราเนี่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเลย บางคนที่เพ่าตายเราสูญเพราะงั้นความตายเนี่ยทําให้เราเสียทุกสิ่งทุกอย่างบางคนคิดว่าตายเราเกิดแต่จะเกิดเป็นอะไรจะเกิดมาจนหรือรวยหน้าตาจะดีหรือไม่ดีเลยจะเจอสิ่งที่ดีหรือเจอสิ่งที่ชั่วเนี่ยเลือกไม่ได้เลยเพ้นไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยเะั้นมันเป็นเรื่องที่ว่าพวกเราไม่เคยเรียนรู้ความจริงของร่างกายนะเราก็จะทุกข์รู้สึกว่าถึงจุดหนึ่งเราจะต้องสูญเสีย ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เจริญสติเจริญปัญญาเนะีเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากนะ อ, อย่างร่างกายเนะี่ยหายใจออกเรารู้สึกไปหายใจเข้ารู้สึกไปยืนเดินนั่งนอนเรารู้สึกไปได้วยพอเราเห็นเรารู้ตามรู้บ่อยๆนะเราจะเห็นความจริงร่างกายนี้คือตัวทุกนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรดับไปมีแค่ทุกมากกับทุกน้อยไม่ใช่ทุกกะสุกอีกต่อไป ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างงั้นเรายังรักอยู่เรายังหวงแหนอยากให้มันสุขอยากให้มันไม่ทุกข์ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วความทุกข์ตามขยี้มันตลอดเวลาความอยากที่จะให้ร่างกายนี้ไม่ทุกข์น่ะเป็นความไร้เดียงสาของเราในความเป็นจริงทุกข์แต่ว่าเราละเลยที่จะรู้เราไม่อยากรู้รู้แล้วกลัวจิตใจหดหู่ผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่กลัว ที่ จ, จิตใจหยุดหแต่ว่ากล้าที่จ ะ, ะเผชิญกับความจริงกล้าเผชิญความจริงของกายจะดูรู้สึกอยู่ที่กายเรื่อยๆกายนี้ทุกเนี่ยไม่ใช่ของที่ของอิเศษเนี่ยเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหนายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นก็รู้หลุดพ้นแล้วหน้าที่ของเราคือเรียนรู้ทุกเข้าไปเรียนรู้ความจริงของร่างกายรู้ลงไปเรื่อยๆ สุดท้ายปัญญามันเกิดมันจะไม่หยุดกายมันจะรู้ว่ากายเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของมีเศษอีกต่อไปแล้วนะพอมันจะแก่มันจะเจ็บจะตายเนะี่ยจิตจะไม่หวั่นไหวงั้นหัดรู้สึกไปนะไม่นานพวกเราต้องตายอย่างเก็ศก็อีกห้าสิบปีจะอยู่รอดหรือเปล่าใครคิดว่าตัวเองจะอยู่ได้อีกห้าสิบปีมีไหมอยเนี้ยไม่มีความมั่นใจเลยนี่เก็บเข้มแข็ง ม, ม, ม, ม, มากเลยนะเด็กๆเกนี่ยนะที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยเป็นมะเร็งตายไปเยอะแล้ว นะแต่ไอ้ลถความลดหงายไม่ค่อยตายนะสตีมันดีลถความหมุนไปหลายหลายรอบเนี่ยรู้สึกตัวเป็นช็อตช็ช็อ ต, อ ต, อตนะเห็นร่างกายขยับคลิกลกลเนี่ยสตีมทํางานอันตโนมัติหัวกําลังจะฟาดถนนห ล, ลบซะหน่อยหนึ่งไม่ค่อยเป็นไรแต่ว่าสู้มะเร็งไม่ไดนะ้ยุคของเราเนี่ยเป็นมะเร็งตายเยอะมากเลยพวกที่มานั่งเรียนนั่งเรียนหน้าหน้าตายเด็กๆเนี่ยนะตายไปเยอะละบางคนแก่มากนะต้อ ง, องการแย่งนะ อยู่มาจนป่านนี้ยังไม่ตายก็มีนะงั้นความตายเนี่ยไม่มีอาวุโสะไม่มีลำลับว่าผู้ใหญ่ต้องตายก่อนเด็กไม่เนี้ยพวกเราเคยคิดไหมว่าลูกจะตายก่อนเรากล้าคิดไหมใครมีลูกบ้างในห้องนี้คิดไหมพ่อแม่จะตายก่อนเราคิดใช่ไหมสมควรตายแต่ลูกเนี่ยให้คิดว่าลูกจะตายก่อนเราเราไม่กล้าคิดไม่ซ้ําไปยอารับไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเด็กมันไม่ควรจะตาย จริงไม่มีอะความทุกข์เนี่ยตามขยี้ทันเมนะื่อไหร่น่ะตายเมื่อนั้นไม่มีลำดับว่าอายุเท่าไหร่งั้นเราไม่แน่นะว่าเราจะอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่รีบมาเรียนรู้ความจริงในร่างกายนี้ให้มากๆารนรู้ให้เห็นความจริงถ้าเมื่อไหร่เห็นความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกขนะ์ใจจะไม่ทุกข์ความแปลกมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าเห็นทุกข์แล้วยิ่งเศร้าหมองนะ <necessary. S 2> ยิ่งร avilion, ู้ว่าทุกข์ว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์นียจิตจะไม่ซ้องมองจิตจะยิ่งร่าเริงจิตจะยิ่งเบิกบานเป็นความประหลาดของธร ร, รมะไม่เหมือนทางโลกนะเห็นแต่ของไม่ดีนีใจห่อเหี่ยวในทางธรรมเนี่ยเราเห็นความจริงของร่างกายนะใจยิ่งไม่ห่อเหี่ยวนะใจยิ่งเบิกบานเพราะเวลามันจะตายนะมันจะรู้สึกว่าตัวทุกข์จะตายมันจะห่อเหี่ยวไหมตัวทุกข์จะตายของเราห่อเหี่ยวเพราะตัวดีมันจะตายใช่ไหมเนี่ยเฝ้ารู้สึกลงไป ให้เห็นความจริงความจริงยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือจิตของเราเรามีกายกามีใจจิตใจนี่เก็คอยมาเรียนรู้มันคอยรู้สึกอยู่ที่จิตใจเรื่อยๆเหมือนอย่างร่างกายเนี่ยคอยรู้สึกเรื่อยๆอย่าลืมร่างกายตัวเองไม่นานเราก็จะเห็นความทุกข์ในร่างกายจิตใจนี้เราก็คอยรู้สึกเรื่อยๆแต่จิตใจเป็นนํามาธรรมบางคนบอกว่าดูจิตดูจิตจะดูยังไงจิตไม่มีอะไรให้ดูเลยว่าง จงใจไปดูจิตอาหาจิตไม่เจอซิพูดง่ายๆเลยนะก็คือคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปคอยรู้ความรู้สึกจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นั้นตัวมันเนี่ยไม่มีรูปร่างไม่มีร่องรอยอะไรที่จะให้เรารู้ได้เลยเรารู้ความมีอยู่ของจิตโดยผ่านความรู้สึก่จิตบางดวงมีความสุขเนี่ยเพราะเรารู้ผ่านความสุขจิตบางดวงมีความทุกเรารู้ผ่านความทุกนราะเราคอยรู้สึก บางดวงเป็นกุศลบางดวงโลภบางดวงกโกรธบางดวงหลงบางดวงฟุ้งซ่านบางดวงหดหูเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตแต่และดวงเกิดระดับเกิดระดับเห็นผ่านความรู้สึกทั้งหลายทั้งสุขและทุกข์ทั้งดีและชั่วเนี่ยเราคอยมาเรียนรู้ความรู้สึกเขาตัวเองไปรู้จักสุขไหมเวลาใจมีความสุขเวลาใจมีความทุกข์เวลาใจเฉยๆเนี่ยมีสามแบบไม่สุขก็ทุกข์ใช่ไมไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉย ขนานีใา้ใครมีความสุขยกมือซิมีไหมใครมีความสุขยกมือหน่อยอ้าวใครมีความทุกยกมือใครเฉยเฉยยกมือใครไม่รู้ยกมือนะไม่คำว่าไม่มีเนี่ยไม่มีนะจิตทุกดวงจะต้องประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่าเวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉยจิตทุกดวงต้องมีเวทนานะเป็นธรรมชาติของจิตเลยงั้นอยู่ที่ว่ามองเห็นหรือเปล่า ถ้าจ stumbled, hungry, skills, wishes, life, 94, dropped, ิตใจเรามีความสุขกําลังมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนี่เรียกว่าดูเป็นล้จิตใจกําลังทุกรู้ว่าทุกนะดูเป็นละจิตใจเฉยๆไม่สุขไม่ทุกรู้ว่าเฉยๆไม่สุขไม่ทุกอันนี้เรียกว่าดูเป็นแล้วแมการดูจิตดูใจไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะอย่างขนาดเนี้ยมีคนเข้ามาเพิ่มรู้สึกไหมพอมีคนเข้ามาจิตของเราแอบฉกไปทางโน้นรู้สึกไหมบางคนน่าหน้าไม่หันนะแต่ว่าจิตนั่นแอบไปละอย่างเงี้ยนะ หน้าไม่หันนะเกรงใจหลวงพ่อยังมาหลอกกันเล ย, ยมันได้กินหรอกนะรู้สึกไหมเมันคิดจิตเหมือนวิ่งไปได้เห็นไหมเนี่ยคอยรู้สึกมันรู้ทันความรู้สึกของตัวเองจิตที่ไหลไปอย่างนั้นเรียกว่าจิตอะไรเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านนะเห็นไหมมันฟุ้งไปฟุ้งไปทางไหนฟุ้งไปทางตาสร้างไปในอารมณ์ในสิ่งที่เรารู้เราเห็นฟุ้งไปสร้านไปลงไปเวลาที่จิตมันไหลไปเราลืมตัวเราเอง จริงๆแล้วไม่ได้เรื่องยากรู้จักโกรธไหมถ้าตอนนี้กโกรธรู้ว่าโกรธตอนนี้โลภรู้ว่าโลภตอนนี้หลงฟุ้งไปและวไหลไปและรู้ว่าไหลไปตอนนี้หดหู่รู้จักหดหู่ไหมหดหู่รู้ว่าหดหู่ตอนนี้ลังเลสงสัยเนี่ยถ้ามีความลังเลสงสัยเกิดทีง่งงพระองนี้พูดอะไรวะนะพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องงงงงรู้ว่างงใช้ได้แล้วธรรมะเนี่ยมันง่ายขนาดนี้นะไม่ใช่ว่าต้องรู้เรื่องนะ ไม่รู้เรื่องรู้ว่าไม่รู้เรื่องน like ี so ่แหละรู้เรื่องนะบางคนนั่นมาบอกหลวงพ่อหมูนี้้านาแล้วไม่รู้เป <c oughs> ็นไงจิตมันมัวดูไม่รู้เรื่องเลยบอกแล้วเธอรู้ได้ไงว่าจิตมัวถ้ารู้ว่าจิตมัวก็แสดงว่าดูเป็นน่ะสิจิตกำลังมัวอยู่รู้ว่ามัวะจิตสว่างรู้ว่าสว่างมันดูได้เงั้นเราค่อยๆสังเกตจิตใจของเราไปจิตใจนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะแล้วเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเวลาดีก็สว่างฟองใสสงบ เวลาร้ายขึ้นมานะเขามืดมืดมัวมั ว, มวฟุง้งนซะ่านไม่มีความสุขเลนะยวุ่นไวานี่เราคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปรู้ซื่อๆไม่ต้องดรอทรอว่าต้องดีตลอดนะไม่ต้องจิตชั่วรู้ว่าชั่วถือว่าใช้ได้นะบางคนมาภาวนาบอกว่าดิฉันภาวนามาตั้งนานแนละ้วทําไมยังโกรธอยู่หลวงพ่อหันไปมองหนะ้อย่างนี้เธอภาวนาไม่เป็นไม่ได้ภาวนาเพื่อให้หายโกรธนะแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นว่า ความโกรธน่ยมันไม่เที่ยงนะมันมาแล้วมันก็ไปความโกรธเขาบังคับไม่ได้จิตมันจะโกรธมันโกรธได้เองนี่เราเรียนเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้เถอะเห็นความรู้สึกทุกชนิดเลยที่ผ่านเข้ามาสู่ใจของเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดที่ผ่านมาสู่ใจเนี่ยเป็นของเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้อย่างสั่งให้มีความสุขมันก็ไม่มีเวลามีความทุกข์สั่งให้หายทุกข์มันก็ไม่หายใช่ไหมเวลาโกรธ บอกให้มันหายโกรธมันก็ไม่หายบาที่ตั้งใจว่าอยากโกรธนะมันก็โกรธไม่มีอะไรที่บังคับได้เลยเราจะเรียนความจริงเพราะฉะั้นเราไม่ได้เรียนบังคับตัวเองเรียนความจริงของร่างกายร่างกายมีแต่ทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาก็ดูความจริงไปความจริงในจิต ใ, ใจคือมันไม่เที่ยงแล้วมันบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาก็ดูอย่างที่มันเป็นนี่แหละการปฏิบัติธรรมงั้นขณะนี้สุขหรือทุกข์จ้องมือสิใครสุข เยอะกว่าตะกี้หน่อยหนึ่งใครทุกข์ต้องมือซิปวดท้องเหรอ <c oughs> ไปเข้าห้องสุ ข, ขาไปนะทุกข์ใครเฉยๆตามจริงใครไม่รู้ว่าตัวเองสุขหรือทุกข์หรือเฉยมีไหมมีไหมทำไมไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจที่ว่ากำลังหลังเล ส, งส่งใสรู้ว่าหลังเลสนงใยรู้อย่างนี้เลยไม่ใช่ของลึกลับอะไรเลย เนี่ยบางคนมาบอกหลวงพ่อจิตหนูมัวจังเลยหนูดูอะไรไม่ออกอ้าหนูดูออกนะว่าจิตมัวนะดูออกแล้วนะเราภาวนาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้จิตดีไม่ใช่เพื่อให้จิตสุขไม่ได้เพื่อให้จิตสงบเพราะดีก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงเราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงตไม่ได้ภาวนาเอาดีเอาสุขเอาสงบนะแต่ภาวนาเพื่อให้จิตมันเห็นความจริงสัจจะคือความจริงสาคัญ ถ้าเราเห็นความจริงในจิตใจทุกสิ่งจะสุขหรือทุก์จะดีหรือชั่วเกิดแล้ดับทั้งสิ้นนี่คือความจริงทุกสิ่งนันจะสุขหรือทุกจะดีหรือชั่วเลือกไม่ได้สั่งไม่ได้นี่คือความจริงถ้ารู้ความจริงอย่างนี้แล้วนีต่อไปความทุกขจะหายไปนะทุกวันนี้เราดิ้นรนนะชีวิตเราดิ้นรนมากมายนะดิ้นรนทําอะไรบ้างดิ้นรนมีความทุกข์ใช่ไหมดิ้นรนหาความสุขจริงๆชีวิตต้องการแค่นี้เอง ทุกวันเนี้ยที่ดิ้นเล่าๆอยู่นะดิ้นคอยหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์อย่เท่า น, นั้นเองแต่ถ้าเราคอยสังเกตจิตใจเราเราเห็นนะความสุขมันก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวเวลาความสุขเกิดขึ้นจิตจะไม่หลงยินดีนะเขารู้ว่าชั่วคราวดังั้นเวลาความสุขหายไปจิตไม่เสียดายหรือความสุขยังไม่มาก็ไม่ดิ้นที่จะหานะเพราะว่าหามาประเดี๋ยวดึงก็ดีไปแล้วรู้สึกไหมความสุขที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี้ยลองนึกซิแต่ละคน จำได้ไหมความสุขที่ว่าสุดยอดของเราเลยดีที่สุดในชีวิตเราอะตอนไหนนึกออกไหมบางคนนึกไม่ออกแล้วเลยใช่ไหมหาไม่เจอแล้วอันไหนมาแต่ตอนเจอมันตอนเผชิญมันก็ว่าดีใช่ไหมพอมาถึงตอนนี้รู้สิเหมือนฝันไปทางนั้นเลยเนี่ยพอเรามีสติปัญญายจริงๆนะีรู้สึกความสุขก็เหมือนฝันไปเหมือนฝันดีนะหรือเวลาจิตเป็นกุศลก็เหมือนฝันดีเวลามีความทุกข์หรือจิตเราชั่วๆขึ้นมาเหมือนฝันร้ายะ มันเหมือนฝันอยู่ทั้งนั้นเลยเถ้าเราค่อยรู้อย่างนี้นะใจจะไม่กระเพื่อมขึ้นจะเพิ่มลงเวลาความสุขมานะก็ไม่หลงระเริงเพราะรู้ว่าไม่นานก็ไปนะเวลาความสุขไปก็ไม่เสียดายเพราะรู้ว่าความสุขได้ทําหน้าที่ของมันเสร็จแล้วมันก็ไปนะความสุขยังไม่มาก็าไม่โหยหาเพราะรู้ว่าถึงอยากได้มาดิ้นรนได้มาไม่นานมันก็ไปนะหรือความทุกข์ทั้งหลายนะที่เราเกลียดชังมันนะ ถ้าเราสติเป็นยาเรามากพอเราค่อยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจเรื่อยๆเราจะเห็นว่าความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็สั่งไม่ได้เลือกไม่ได้ดงนั้นถ้าความทุกข์มานะจิตจะไม่หวั่นไหวเพราะอะไรรู้ว่าไม่นานมันก็ไปพอความทุกข์ไปจิตก็ไม่หลงดีใจรู้ว่าประเดี๋ยวมันก็มาอีกนะี่ยหรือว่าไม่กังวลกลัวว่าความทุกข์จะมาเขาเรามีความทุกข์มากมายเลยนะแต่ละคนนะ อย่างพวกเราตอนนี้ใช่ไหมสุขภาพแข็งแรงมีงานทํามีเงินใช้มีข้าวกินมีครอบครัวเรายังมีความทุกข์น้าเราทุกข์ถึงอนาคตอีกอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าความสุขกําลังมีอยู่ข้างหน้าจะเป็นยังไงเนี้ยใจห่วงข้างหน้าอีกนะห่วงปัจจุบันยังไม่พอนะห่วงไปอนาคตอีกงั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ไม่มีความสุขกัขงวลต่อไปข้างหน้าอีกเนี่ยถ้าใจเราฉลาดพอเราเห็นว่า สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงร้ายก็ไม่เที่ยงแล้วก็สุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเราบังคับไม่ได้มีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ตับบังคับมันไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเนี้ยเวลาสุขเวลาทุกข์มาหรือเวลาดีหรือเวลาชั่วมาจิตจะไม่กระเพื่อมบันไหวจิตจะไม่หลงยินดีจิตจะไม่ห ล, ลงยินร้ายเวลาที่จิตมันหลงยินดีนะมันก็อยากได้มา ก็เกิดตัญหาตัญหาเรียกว่ากรรมตัณหาอยากได้มา <S 2> <S 2> <S พอได้มาแล้วนะของดีๆก็อยากให้มันคงอยู่เรียกว่าภาวะตัณหา <S <S ถ้าเจอของที่ไม่ดีก็ไม่อยากได้เรียกว่ามีภาวะตัณหานเนี่ยตัณหาเกิดขึ้นมีความอยากเกิดขึ้นใจจะมีความทุกข์ทันทีเลยทันทีที่ความอยากเกิดความทุกข์จะเกิดไม่ใช่ต้องให้ไม่สมอยากเราถึงจะทุกข์นะ คนทั่วๆไปเนี่ยคิดว่าถ้ามีความอยากแล้วตอบสนองความอยากได้เนี่ยจะมีความสุขจะเกิดความทุกข์เฉพาะเมื่อมีความอยากแล้วไม่ได้อย่างอยากจะคิดอย่างนี้แต่เราลองไปสังเกตจิตใจของเราดูให้ดีเถอะทุกครั้งที่มีความอยากนะความเครียดจะเกิดขึ้นในใจทันทีเลยนะจะสมหวังหรือจะไม่สมหวังก็ตามความทุกข์จะเกิดทันทีอย่างสมมติว่าใกล้ๆจะสิ้นปีแล้วเนี่ยอยากได้โบนัสเยอะๆนะอยากได้โบนัสเยอะๆทุ ก, ทกไหม ทุกนะถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ถูกน้อยหน่อยเห็นไถ้ารู้แน่ว่าไม่ได้นะเสงอยู่พักหนึ่งแล้วทำใจเนี่ยคอยรู้สึกลงไปนะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทุกอย่างบังคับไม่ได้นะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเลือกไม่ได้ใจจะไม่ก็เพื่อหวั่นไหวใจไม่ก็เพื่อหวั่นไหวเนก็ไม่มีความอยากได้ไม่มีความอยากให้คงอยู่ไม่มีความอยากให้หายไป เมื่อใจไม่มีความอยากใจใจะไม่จิ้นรนความดิ้นรนของใจเรียกว่าภพความอยากเรียกตัณหาตัณหาเป็นผู้สร้างภพพวกเราถ้าไม่เคยฟังธรรมะนะฟังพระเทศน์ฟังอาา่านหนังสืออะไรได้ยินไดนะ้ตัณหามันเป็นผู้สร้างภพแต่มันไม่เคยเห็นงั้นไอ้ที่เรียนมาที่ฟังมาหาสาระอะไรจริงๆไม่ได้เลยถ้าไม่เคยเห็นของจริงงั้นธรรมะนะฟังเล่นๆไม่ได้เรื่องหรอกต้องดูของจริงลองดูซี่ใจเรานิ่ง เวลาใจกระทบอารมณ์นะเกิดสุขบ้างเกิดทุกข์บ้างเวลามีความสุข ก, ก็ชอบใจชอบใจแล้วก็อยากให้มีอยากให้คงอยู่ถ้าเจอความทุกข์ก็ไม่ชอบใจอยากให้หายไปเวลาความอยากเกิดขึ้นแล้วไปสังเกตดูใจจะเครียดเครียดทันทีที่อยากเลยงั้นทันทีที่อยากนะมีความอยากเมื่อไหร่ความทุกข์ก็เกิดทันทีเลยเนี่คยค่อยๆไปสังเกตของจริงดูนะธรรมะไม่ใช่เอาไว้พูดเล่นนะ ธรรมะไม่ใช่ถ่อยคําสวยๆพูดกันเขียนเป็นวลีงดงามหาสาระอะไรไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เห็นของจริงในใจเรายังธรรมะจริงๆไม่ใช่เอาไว้คุยๆกันเอาไว้พูดเปลื่นๆนะต้องหานรู้หานดูของจริงในใจให้ได้มันไม่ใช่เรื่องยากอย่างสุขเราก็รู้ทุกเราก็รู้ใช่ไหมดีก็รู้โลภ โ, ลโลกรหลงเราก็รู้จักดูของจริงก็้ไปดูซ้ําแล้วซ้ําอีกเข้าไปมันจะยากอะไรอย่างขนาดนี้ย รู้สึกัหมใจเราฉกไปที่ประตูอีกแล้วแทบทั้งห้องเลยนะมีคนที่ไม่ฉกไปอยู่บ้างคือกำลังหลับอยู่นะเนะี่ยสังเกตใจเห็นไหมมันฉกไปได้เองรู้สึกหเหมือนงูเลยใช่ไหมอะไรมานะเนี่ยนะตลอดเวลาดูเิทุกหรือสุขนะมันเป็นภาระของจิตนะจิตที่ต้องวิ่งไปจิตที่ต้องวิ่งมานะหลวพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลุงนะปู่ครับจิตตั้งอยู่ที่ไหน จิตไม่มีที่ตั้งท่านยังสอนต่ออีกนะจิตจริงแท้จิงจิตที่จริงแท้หรือจิตเติมแท้หรือจิตหนึ่งเลยนะจิตพระหลหันว่าจิตจริงแท้ไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีขอบเขตไม่มีการไปไม่มีการมาภายนอกไม่มีรูปลักษ์ภายในไม่มีความเคลื่อนไหวรู้สึกไหมจิตของเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาฉกไปฉกมาตลอดนะก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงตลอด เาะอะไรอะไยังไม่ใช่พ า, ารานค่อยๆฝึกค่อยๆรู้ไปต่อไปปัญญามันแก่กล้ามันรู้นะกายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้ก็เป็นตัวทุกข์ไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยมีภาระมากมายเกิดขึ้นเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปถึงจุดหนึ่งจิตจะปล่อยวางไม่จะปล่อยวางร่างกายก่อ น, นภูมิจิตภูมิธรรมนะมันมีสามระดับนะถ้าเพระพูดตามตํตาราก็มีสี่ขั้นโสดาสกาัตถาคา ภานาคาภาพหันอันนี้ก็เกิดจากการที่เราเจริญปัญญาไปนั่นแหละมีศีลห้าไว้แล้วเจริญสติเจริญปัญญาเรื่อยไปแต่ว่าปัญญาเนี่ยท่าแนแยกไว้สามระดับปัญญาเบื้องต้นเบื้องกลาง ก, างกับปัญญาชั้นสูงปัญญาเบื้องต้นเนี่ยขั้นพสุตาบัณมีปัญญาในเบื้องต้นคือได้เห็นความจริงแล้วว่าไม่มีตัวเราในกายนี้ไม่มีตัวเราในใจนี้ไม่มีตัวเราที่ไหนเลยกายมีอยู่นะแต่ไม่มีเจ้าของ ไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์จิตใจก็มีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของไม่ใช่คนไม่ใา่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยเรามาหัดรู้หัดดูอย่างนี้นะต่อไปเราจะได้ปัญญาเบื้องต้นพุทุชนยังไม่มีปัญญาเบื้องต้นเลยนะอย่างพวกเราไม่มีเพราะเรามีมิจฉาทิฏฐิเพวกเรารู้สึกว่าตัวเรามีอยู่จริงๆร่างกายนี้คือตัวเราจิตใจนี้คือตัวเราแต่ถ้าทําอย่างที่หลวงพ่อบอกให้นะคอยรู้สึกอยู่ที่กายค่อยรู้สึกอยู่ที่ใจต่อไปจะรู้สึกร่างกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรา นะเป็นแค่เป็นธาตุเป็นขันธ์เท่านั้นเองไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ถ้าใจเรามาถึงจุดนี้ได้เป็นประสบธรรไม่ยากเกินไปหรอกนะบางคนใช้เวลานิดเดียวในะการที่คอยรู้สึกกายรู้สึกใจปัญญาขั้นต้นก็เกิดแล้วว่าตัวเราไม่มีถ้าดูต่อไปอีกนะปัญญามันจะมารู้แจ้งแทงตลอดในกายนจะรู้ว่ากายนี้คือตัวทุกข์กายไม่ใช่ตัวเราแล้วกายเป็นตัวอะไรกายเป็นตัวทุกข์ พอเห็นว่ากลายเป็นตัวทุกข์เนี่ยจิตจะคลายความยึดถือในกายนะไม่ยึดกายเมื่อไม่ยึดกายอะไรที่ประกอบกันเป็นกายบ้างตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยคือส่วนของกายตายังไม่ยึดเลยนี่ไปยึดรูปได้ไงหูยังไม่ยึดเลยจะไปยึดเสียงได้ไงจมูกไม่ยึดจะยึดกลิ่นได้ไงลิ้นยังไม่ยึดเลยจะยึดรสได้ยังไงร่างกายยังไม่ยึดเลยจะยึดสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวได้ยังไง เมื่อไม่ยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐาปแล้วเนี่ยความยินดีจะไม่เกิดความยินร้ายจะไม่เกิดเมื่อเราไม่ยึดรูปเนี่ยเราจะไม่หลงรักรูปเราจะไม่เกลียดรูปจะได้เป็นกลางกับรูปมันกามและปฏิฆะขาดไม่มีกามและปฏิฆะเสียงเราไม่ยึดนะจิตเข้าไม่กับเพื่อมบั่นไห้ไม่ยินดียินร้ายกับมันกามและปฏิฆะก็ไม่เกิดนั้นอาศัยความรู้แจ้งในกายนะว่ากายนี้คือตัวทุกข์ กามและปฏิฆะก็เลยขาดไปภูมิธรรมของพระอนาคามีพระอนาคามีมีปัญญาขั้นกลางเห็นความจริงแล้วว่าตัวกายนี้ตัวทุกข์เพราะฉะนั้นจะละกามและปฏิฆะได้กามก็คือความเพลิดเพลินพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายปฏิฆาคือความขัดเคืองไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่มาสัมผัสร่างกาย เนี่ยมันจะล้างของมันเองด้วยปัญญาขั้นกลางนั้นเท่านาต่อไปมันจะลงมาที่จิตดวงเดียวนะถ้าปัญญาขั้นสูงเนี่ยจะเห็นความจริงว่าจิตนี่คือตัวทุกข์จิตที่ว่าเราฝึกไปเรื่อยนมันจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะสุขจนไม่รู้อะไรจะเหมือนเลยจู่ๆปัญญามันพอปัญญามันทันเนียมันจะเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์นั้วมันจะสลัดคืนจิตนัคืนจิตให้โลกไปสลัดทิ้งเนี่ยปฏิในสักขะสลัดคืนไปนะ ใจ่็จเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าจิตเดิมแท้จิตหนึ่งนะบางองค์ท่านเรียกว่าธรรมธาตุหลวงตามหาบวชท่านเรียกธรรมธาตุสมเด็จพาญาาสังวอนท่านเรียกวิญญาณธรราตุหนะลวงปู่เทศท่านเรียกว่าใจหลวงปู่เดิมท่านเรียกจิตหนึ่งอย่างท่านพุทธทาสท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้อย่างนะี้สำนวนหลายสำนวนนะที่จริงคือสภาวะอันเดียวกันสภาวะคือจิตที่หมันผลไปแล้วไม่มีอะไรปรุงแต่งได้เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์กันมาม สิ่งเหล่านี้มีอยู่นะมีอยู่แล้วเราก็มีวิธีอยู่ที่จะปฏิบัติเพื่อเข้าไปสัมผัสสิ่งนี้นะจุดหมายปลายทางตัวนี้ก็คือความดับสนิทแห่งทุกขนะ์แต่ตรงที่เราเข้าไปถึงจิตหนึ่งหรือธรรมธาตุเนี่ยความทุกข์ในใจจะไม่มีอีกแนละ้วความทุกข์จะอยู่ที่ขันเท่านั้นเองจนวันที่ขันแตกขันดับ น, นั่นแหละวันที่สิ้นดับสนิทแห่งทุกข์ที่แท้จริงเพราะนนพระอราหันต์ไม่กลัวตายเลยนะเพราะว่านั่นคือเวลาที่จะดับสนิทแห่งทุกข์ แต่ความพ้นทุกนั้นพ้นตั้งแต่บราารลุพระอรหันต์แล้วพ้นจากทุกคือพ้นจากขันเลยจิตไม่ยึดขันเลยไม่ยึดกระท่านตัวจิตสนะิ่งเหล่านี้มีอยู่นะเป็นทางพ้นทุก์ที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้พวกเราพูกเป็นสาวกทั้งหลายนะแล้วท่านไม่ได้บอกแต่ปลายทางท่านบอกวิธีการให้ด้วยนะถือสีห่หฝึกจิตของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวให้ตั้งมั่น แล้วก็เวลาจิตไปรู้อารมณ์นะถ้ายินดีให้รู้ทันยินไรให้เป็นรู้ทันจะเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะัคือจิตที่มีสมาธิเต็มที่จะตั้งมั่นและเป็นกลางไม่ใช่สงบนะบางคนนิดคิดว่าจิตที่ดีคือจิตที่สงบเงียบเงียบนะั่จิตงี้เงา่านะจิตยอย่างนั้นมันมีก่อนพุทธเจ้ า, าอีกนะหรือสีชีพายเขาก็ทํากันสมาธิของพุทธเนะี่ยคือความตั้งมั่นตั้งมั่นคือไม่งอดงัดแงนกรอนแกลน อย่างพวกเราเมื่อกี้จิตก็ฉกไปตามประตูรู้สึกไหมนั่นแหะจิตไม่ตั้งมั่นหรอกจิตเจะฉกไปท้องนอนฉกไปทางนี้นะวิ่งไปวิ่งมามีการไปมีการมานะแล้วก็ไปแล้วก็ไปชอบบ้างไปเกลียดบ้างไม่เป็นกลางงั้นเราคอยรู้ทันนะถือสีหน้าไหมเรียนรู้จิตของตัวเองไปนะจิตไหลไปก็รู้จิตไหลไปก็รู้หรือจิตยินดีก็รู้จิตยินร้ายก็รู้เราจะได้จิตที่ตั้งมัน่นและเป็นกลางขึ้นมา เมื่อจิตตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วนะแล้วก็ดูความจริงของขันดูความจริงของกา ย, ายไปกายนี้มีแต่ทุกข์ดูความจริงของใจมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ได้รู้ความจริงเข้าไปเลยได้เขารู้ความจริงเนี่ยต่อไปปัญญาเบื้องต้นเกิดกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นพระโสดาบันต่อไปก็ปัญญาเบื้องกลางรู้ว่ากายนี้คือตัวทุกนะข์ก็เป็นพระหนักขามีละกลามและปฏิคาได้ สุดท้ายจิตนี้คือตัวทุกข์ก็วางจิตได้ทิ้งจิตดวงนี้ไปดวงเดียวอันนี้นะความเกิดจะมีอีกไม่ได้เพราะจิตน่ะเหมือนเหมือนเมล็ดของต้นไม้อย่างเหมือนเมล็ดมะม่วงเนี้ยมีเมล็ดอยู่เมล็ดเดียวเนีดเด้ยนะไปงอกมะม่วงทั้งต้นได้อีกมีจิตดวงเดียวไปสร้างขันห้าได้อีกงั้นเราต้องฝึกนเชื่อเกิดคือตัววิชาตัวโง่ตัวไม่รู้อริยสัจเนี้ยตายไปจากใจเราทาลายเชื่อเกิดในจิตเราเอง ตอนนั้นหลวงพ่อเป็นโยมหลวงพ่อไปเห็นเชื้อเกิดในจิตค่อยกราบหลว ง, งปู่เทศหลวงปู่ครับผมเห็นจิตที่เป็นต้นกําเนิดแล้วจิตต้นกําเนิดเนี่ยก็ไม่ต้องอธิบายเลยนะพูดแค่นี้ท่านก็รู้ละเพราะท่านผ่านมาแล้วว่าหลวงปู่ครับผมเห็นจิตต้นกําเนิดแล้วทาไงจะทําลายมันได้ทําลายเชื้อเกิดได้ท่านบอกว่ากบเจริญปัญญาไปนี้แหละนะรักษาศีลเจริญปัญญาไป ถึงวันที่มันแก่กล้าพอมันทําลายของมันเองท่านก็บอกอย่างนี้ดังนั้นเชื่อเกิดในใจเราแต่ละคนคือตัวอวิชานะยังอยู่ถ้าเรียนรู้ลงไปอวิชชาคืออะไรคือความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่ากายนี้ทุกข์ไม่รู้ว่าใจนี้ทุกข์ดังนเรียนรู้ทุกข์ให้มากเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากวันหนึ่งทําลายอาวิชชาทําลายเชื่อเกิดถ้าทำลายอาวิชชาแล้วชีวิตจะเงียบหนาวว่าเวไหมไม่เป็นเลยนะมีแต่ความสดชื่นร่าเริงนะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตสบายมากเลยจิตใจนะั้นไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปมันเต็มมันอิ่มอยู่ในตัวเองในขณะที่จิตของพวกเราหิวตลอดเวลาจิตของเราหิวอะไรก็แม่ร่างกายหิวอาหารใช่ไหมหิวข้าวจิตหิวอารมณ์อยากได้อารมณ์โน้อนอยากได้อารมณ์นี้มิ่งตะครุบตลอดเวลาเลยอยากดูรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกาย อยาได้อารมณ์ทางใจที่ดีๆอยากจะพ้นจากอารมณ์ทั้งหลายที่ไม่ดีจิตที่หิวตลอดเวลาจิตที่หิวมันจะมีความสุขได้ไงนะมันไม่ใช่จิตทีท่เต็มจิต ท, ที่อิ่มอยู่ในตัวเองดังนั้นธรรมะของพระเจ้านะไม่ใช่ธรรมะของคนสิ้นหวังคนผิดหวังคนท้อแท้คนไม่มีอนาคตนะแต่เป็นธรรมะของคนกล้ากล้าที่จะสิงความสุขเล็กน้อยไปพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ มีอยู่ช่วงหนึ่งหลวงพ่อภาวนาตอนนั้นเป็นโยมภาวนาแนละ้วจิตก็ทรงสมาธิอยู่มีความสุขอยู่ยนะไปกราบหลวงปู่คำพันธ์วัดธาตุมหาชัยที่ปราปากคนคิดว่าท่านเป็นพระเกจินะไม่รู้ว่าท่านเป็นพระกรรมฐานนีจริงท่านภาวนาเก่งนะลูกศิษย์หลวงปู่เสาไปนั่งใกล้ๆท่านคนเก็ไปซื้อพระเครื่องนะเอามาให้ท่านเสกท่านก็เสกแล้วนะก็ไปตั้งใส่ตู้ไะ เราคนก็ไปซื้อมาแล้วมาให้ท่านเสกสามอีกท่านก็ทําให้ใจดีหลูงพ่อไปนั่งใกล้ๆอ่ว่าจะถามธรรมะอะไรท่านส น, น่อยท่านก็ไม่ว่างคนมาวุว่นวายกับท่านตลอดเวลาสุดท้ายท่านาหารมาหาเองนะแล้วท่านก็บอกอยังไม่ทันจะถามเลยท่านบอกคนเรานะเวลาจะเดินทางไกลเราจะไปหาแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ้มเย็นเป็นสุข เราไปเจอต้นไม้ใหญ่เขาต้นหนึ่งนะเราก็ไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเรายังไม่ไปไหนเลยรู้สึกตรงนี้สบายดีแล้อย่างนี้มันไม่ฉลาดหรอกด้วยนะเราฟังโอ้ได้ธรรมะและวรู้ละถ้าเราส่งสมาธิอยู่ดูเหมือนมีความสุขนะควสุขเล็กน้อยความสุขชาวโลกเนี่ยนะความสุขในกามเนะี่ยความสุขจากการได้ดูได้ฟังได้กินได้อะไรพวกนี้ยเล็กนิดเดียวเลยนะถ้าเทียบกับความสุขในสมาธิขนาดความสุขสมาธิท่านอย่างว่าเล็กน้อยเลย ถ้าคืนติดอยู่ตรงนี้ไปไม่รอดเลยนะไม่ได้เจอที่อยู่ที่สมบูรณ์แบบแะ้วเนี่ยเพราะฉะั้นเราต้องกระหารพอที่จะทิ้งความสุขเล็กๆน้อยๆ น, นะอย่างทุกวันเนี่ยเที่วนนยวหาความสุขแบบเพลิดเพลินแต่ละวันแต่ละวันดูหนังฟังเพลงกินโน่นกินนี่คุยเล่นตลอดเวลาอะไรเนี่ยนี่ความสุขเล็กน้อยแลค่อยๆมาฝึกจิตฝึกใจให้มันอยู่กับเนื้อกัอตัวมีความสุขของสมาธิเกิดขึ้นเรจะรู้เลยว่าความสุขของโลกโลกเนี่ยกระจอก มันความสุขเหมือนเด็กไปคุยดินคุยทรายสกขบกเล่นมันก็มีความสุขนะนะครับความสุขของคนที่แหมอยู่กับเครื่องเพชรเนี่ยคนละแบบกันนะเด็กมันคุยดินคุยทรายเล่นมอมแมมนะหน้าตาสกขบกเสื้อผ้าก็ไม่มีจะใส่ถต่ว่ามันมีความสุขไหมมันก็มีความสุขนะความสุขที่ชาวโลกมีมันคือความสุขของเด็กเด็กมอมแมมนะความสุขของคนที่ทรงสมาธินะมันความสุขของคนที่มีทรัพย์สมบัติเหมมีอัญญบันดีเพชรพลอยทองอะไรอย่างนี้น ดูดีแต่นี้ยังตับไปอีกนะที่ครูบาอาจารย์สอนนะีเลยนี้ไปยังมีอีกความสุขของพระนิพพานสูงที่สุดเลยความสุขของพระนิพพานคือสภาวะจึงไม่มีอะไรเสียดแทงจิตใจเราได้อีกต่อไปแล้วไม่มีอะไรมาปรุงแต่งได้ไม่มีอะไรมาเสียดแทงได้อีกล่ะอย่างความสุขอยากอยากได้เครื่องเพชรทุกไหมกลัวเครื่องเพชรหายก็ทุกอีกไหมอยังมีชานเนี่ยอยากได้ชานก็ทุกนะ ชาญเสื่อมก็ทุกอีกนะนะถ้าเทียบให้ฟังถ้าเลยนี้ไปมันยังมีอีกนะคือพานิพานธ์นิพานเป็นสภาวะที่สิน้นปัญหาสิ้นความอยากสิ้นความหิวในใจนใจมันจะหมดความหิวมันอิ่มมันเต็มขึ้นมาเพราะปัญญามันแก่กล้าแล้วเห็นความจริงแะ้วหมดความยึดถือยากไปไหมวันนี้มีคนไม่เคยฟังเยอะเลยเประมาณสิบกว่าคนแต่หลวงพ่อก็เทศ แบบไม่เกรงใจนะแต่ว่ารู้เรื่องทุกคนแหละแต่รู้ตามชั้นตามภูมิะแต่ละคนรู้ไม่เท่ากันหรอกแต่ว่ารู้สึกว่ารู้มากขึ้นไหมจะรู้สึกว่ารู้เยอะขึ้นถ้าสนใจฟังนะถ้านั่งหลับก็เหมือนเดิมนะ <c oughs> <c oughs> และพอสมควรใจเวลานรสการพอครับ ผมส่งกันบ้านในรอบ9้าปีครับโอ้นานจังผมเก้าปีก่อนผมไปกราบหลวงพ่อที่กาญจน บ, บุรีหลวงพ่อเมตตาสอนเนี่ยผมดูจิตผมก็ดูจิตทุกวันมาตลอดเจ็ดปีแรกมีปัญหามากเพราะว่ามันมีตัวเพ่งรุนแรงมากๆมันเหมือนกับมีตัวนักปฏิบัติที่รุนแรงพยายามดิ้นรนค้นหาแล้วก็เวลาเห็นสภาวะเนี่ยจะเข้าไปจ้องไปเพ่งจ้องจิตตลอด ตอนแรกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องคนระจนทั้เจ็ปีแล้วก็พอรู้ระหว่างนั้นเนี่ยผมฟังซีดีอยู่3เดือนแรกจากนั้นก็ค้นคว้าหนังสือของหลวงพ่อในอินเทอร์เน็ตตลอดพอเจปีแล้วก็สรุปว่าไม่ก้าวหน้า <c oughs> ก็เลยสองปีหลังเนี่ยก็เปลี่ยนมาฟังซีดีใหม่ก็พบว่าหลวงพ่อสอนให้ปฏิบัติตามรูปแบบแล้วอัปเดตแล้วก็เลยปฏิบัติตามรูปแบบมา2ปีสวดมนต์นั่งสมาธิ <c oughs> เดินจงกรมมาละสองรอบก็มีการพัฒนาขึ้นในช่วงหลัง สำหรับสภาวธรรมที่เห็นเนี่ยฮะขณะที่นอนหลับอยู่กลางคืนเนี่ยอยู่ๆจิตก็ตื่นสว่างขึ้นมาแล้วก็เห็นร่างกายนอนอยู่พลิกซ้ายพลิกขวาก็เห็นเป็นอยู่ภาคนึงตื่นเช้าขึ้นมาก็สดชื่นดีปีแรกที่ปฏิบัติแนวหลวงพ่อเนี่ยก็เห็นเจตนามันผุดขึ้นมาแล้วพอเจตนาผุดขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าตัวเราอยู่ตรงนั้นอะ่ะแล้วก็เป็นเป็นภาระที่จะต้องรักษาพอสามปีก็เริ่มเห็นตัว นั่งอ่านหนังสือหลวงพ่ออยู่เนี่ยเห็นเอ็งเหมือนตัวตัวนั่งอยู่พอล่าสุดเลยที่พัฒนาเนี่ยก็คือว่าตอนนี้รู้สึกว่ า, ากายกายอยู่ต่งางถูกแล้วก็ไม่ไม่สนใจจะดูแต่รู้สึกว่ามันอยู่เนี่ยกระดูกกระดิกแล้วนั่กระพริบเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแล้วก็ความคิดที่เคยเข้าไปจมเนี่ยมันรู้สึกอยู่ห่างออกไปสุขทุกข์ดีชั่วก็อยู่ห่างไป<ๆ>ตอนนี้พิหารธรรมที่ทำอยู่เนี่ยนะก็คือว่ารู้สึกตัวสยสบาย พอรู้ถูกโซ่สบายๆก็เห็นกายอยู่กายเดี๋ยวเห็นบ้างเดี๋ยวก็ไม่เห็นบ้างแล้วก็ไม่สนใจกายแต่ว่าจิตเนี่ยจะคอยคอยไปดูเพราะว่าจากตรงเนี้มันจะเหยไปละพอเดี๋ยวมันก็เป็นนักนักปฏิบัติเดี๋ยวก็เป็นเป็นนักประคอง <M> mm. แล้วก็พอเรารู้อย่างเงี้ยผมก็รับรับรู้ทั้งก้อนเลยว่าก้อนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเป็นจิตที่รู้สึก <S <S แต่ตอนเนี้จิตรู้สึกหายไปแล้ว <M> mm. ผมไม่สนใจเข้าไปดูในก้อนแต่รู้สึกว่าก้อนเนี่ยมันไม่ใช่มันมันหายไป จิตก็จะกลับมาแล้วก็จะกลับมารู้สึกกายกับกับจิตที่รู้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าตัวตัวนักปฏิบัติมันไม่มีเป็นบางช่วงเนี่ยตอนนี้จะรู้สึกสบายขึ้น mm hmm. บางครั้งจะเห็นจิตเผลอไปดูคือหายไปจากจิตรู้แล้วก็บางครั้งก็เห็นอยู่ในความคิดอะ่ะแต่ว่าไม่ได้จมนะครับ mm hmm. ก็มีบางวันที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งปกติตื่นขึ้นมาแล้วจะเป็นนักปฏิบัติคิดทันทีเลยแต่วันนั้นเนี่ยมันไม่คิด ตื่นขึ้นมาปุ๊บเห็นดวงสว่างพุ่งออกไปก็รู้ว่ามันจิตมันวิ่งไปหาลมน อ, อ, อ, อ, อแล้วก็มีวันหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาก็จิตไปเห็นลมหายใจเหมือนกับว่าจิตไปอยู่ในรูลมหายใจเห็นเหมือนอยู่ในอุโมงลมครั้งหนึ่งครับทั้งหมดนี้รู้สึกว่าต้องกราบขอพระพุณหลวงพ่อนะฮะเหมือนกับว่าเป็นเป็นคนใหม่แล้วก็กราบขอขอมาหลวงพ่อพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อจะได้สำรวมระวังไม่เป็นอุปสรรคในการ พ, พัฒนาต่อไปครับสาธุสาธุฝึกนะครับรูปแบบเราไม่จริงหรอกอย่างที่หลวงพ่อสอนช่วงแรกๆนะคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อช่วงแรกๆมันติดมิจฉาสมาธิมาต้องล้างให้หมดก่อนจะติดเพ่งถ้าติดเพ่งนะชาตินี้ไปไหนไม่รอดหรอกติดเพ่งเป็นอาตาัตตากรมณฑานโยกนะมันจะไม่ใช่ตัวรู้แต่ว่ารู้ตอนนี้นะกําลังมันอ่อนไปนิดนึงนะมันเบาไป อมันล่องลอยไปนิดนึงให้มันเข้มแข็งกว่านี้นิดหนึง่งรู้สึกไหมผมมีปัญหากับนั่งสมาธิมากครปกติเวลานั่งสมาธิเนี่ยพอหลับตาจิตมันจะไปจ้องจิตแล้วมันก็จะเห็นดำมืดแล้วก็มีอะไรวิ่งไปวิ่งมาตอนหลังเนี่ยล่าสุดเลยผมจะ เ, เอารู้สึกตัวอย่างเดียวเวลานั่งเนี่ยรู้สึกว่ามีกายอยู่แล้วใส่ใจนิดหนึ่งก็จะเห็นกายหมดแล้วก็จะเอทำทําให้หลวงพ่อดูเลยอย่างนี้ไม่ได้ อย่างนี้รวบจิตเข่ามาแรงไปยิ้มหวานก่อนเนี่ยใช้ใจระดับนี้นะเอานะตรงนี้ให้ดูอย่างนี้รู้สึกไหมจิตเคลื่อนไปดูทีแรกเคลื่อนไปหาก่อนไม่จะดูอะไรดนะีพอเจอแล้วก็เคลื่อนดเพ่งให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะให้รู้ทันไม่บังคับเดี๋ยวพลังของสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นพลังสมาธิอ่อนไป เพื่อนตอนนัสมาธิเนี่ยจิตจะเคลื่อนะกลับนมัส ก, การเจะพาหลวงพ่อเออ่ฟังคําสอนของหลวงพ่อมาประมาณหกปีเ อ, อนี่เป็นครั้งแรกที่ได้พบหลวงพ่อพบหลวงพ่อเคยครั้งหนึ่งที่ยุวพุทธอันนี้เป็นครั้งที่สองแต่ว่าไม่เคยส่งกันบ้านเจ้าค่ะก็สองวันก่อนเพื่อนโทรมาบอกว่าให้ามาฟังธรรมของหลวงพ่อก็รู้สึกตอนนั้นรู้เลยว่าดีใจมาก คืออยากจะมากราบหลวงพ่อว่าที่ทําอยู่เนี่ยออพอใช้ได้ไหมเจ้าคะ่ะขอเวลานอกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะตอบรู้สึกไหมจิตเราไหลไปก็เ <ไป S 1> นี่ยจิตล่องลอยไปนะให้รู้ทันจิตที่ล่องลอยแลแต่ไม่ดึงนะถ้าดึงชะอึดอันให้รู้ทันจิตที่ล่องลอยไหลปุ๊บรู้สึกจิตจะตั้งมัน่นมั่นจิตตั้งมั่นเนี่ยสมาธิมันจะเกิดขึ้นเวลาจิตตั้งมั่นแป๊บหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับ อยู่กับตัวแล้วเห็นกายอยู่ข้างๆเนี่ยอันเนี้ถึงว่าถึงแล้วใช่ไหมฮะตรงนี้ต้องไม่รักษาด้วยนะมันอยู่ได้ชั่วขณะใช้ได้ถ้าอยู่ได้ทั้งวันเลยเนี่ยจงใจปฏิบัติแล้วผมเห็นตัวจงใจด้วยเอตัวจงใจนั้นอะไรทำผิดอย่าไปดึงไหลายเรารู้หล่เรารู้นะอย่ารักษาของโยมมันดีขึ้นนะแต่ของเก่าที่ทําเนี่ยมันติดเพ่งอย่าไปเพี่งเอาไม่จะทําให้เครียดการภาวนาต้องไม่เครียดะ ถ้าเครียดมไหร่ผิทันทีเลยจิต ท, ที่เครียดเป็นอากขุศระจิตเะงั้นเราพอนาไปด้วยใจที่สบายอย่าเฮี้ยมเกรียมกับตัวเองนะต้องเมตตาบันมากๆหมอยเออแรกๆที่ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ไปปฏิบัติเนี่ยออรู้สึกเลยว่าตัวเองเติ่นแล้วก็ดีใจมากแต่ว่าแรกๆก็มีความสุขนะเจ้าค่ะพระอาจารย์พอปฏิบัติไปสักช่วงหนึ่งรู้สึกมันทุกข์ทุกทุ ก, ท ก, ทกแล้วก็ ก็ฟังซีดีของพระอาจารย์ไปเรื่อยก็พระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยมันทุกเนี่ยแสดงว่าเราทําไม่ถูกต้องก็เลยคิดว่าเอออาจเป็นเพราะว่าเราจิตใจไม่ตั้งมั่นอย่างหนึ่งเจ้าค่ะแล้วก็ไม่เป็นกลางเจ้าค่ะเวลาเราโกรธหรือว่าเราจะมันดับปุ๊บมันเกิดอีกดับปุ๊บมันเกิดอีกมันไม่หายเจ้าค่ะอาจารย์เราไม่ได้ฝึกให้หาย เราจะฝึกให้เห็นว่ามันเกินดับแล้วมันบังคับไม่ได้ะถ้าคิดว่าจะให้หายเนี่ยเรียานาแบบเยี่ยมเกลี่ยมไปจะไปเข้าไปแทรกแสซพภาวนาสบายๆร้ายก็ได้นะโกรธก็ได้นะแต่มีสติเพราะว่าเวลาเวลาโกรธหรือว่าเวลาร้ายเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเราไม่ชอบมัน เ, ออเราเไม่ชอบตัวนี้ไงที่ว่าไม่เป็นกลางนะค่ <Okay. S 1> ให้ยอมรู้ลงไปเลยว่าใจไม่เป็นกลาง ถ้าเมื่อไหร่ใจเข้าถึงความเป็นกลางนะเราจะพบว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเท่าเทียมกันสุขกับทุกข์เท่าเทียมกันดีกับชั่วก็เท่ากันนะไม่ใช่จะเอาอันหนึ่งจะเกลียดอันหนึ่งนะถ้าจะเอาอันหนึ่งจะเกลียดอันนึงนะใจจะดิ้นไม่รอดรอกให้รู้ทันว่าใจไม่เป็นกลางนะรู้ตัวนี้บ่อยๆนี้หลงละวนะแล้วที่พระอาจารย์บอกว่าให้ปฏิบัติแบบอย่าไปเฮี้ยมเกรียมกับมันให้ปฏิบัติายาาสบา ย, บายมันมัน มันสุขก็รู้ทุกก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้น ะ, ะไม่ใช่ว่าต้องสุขต้องดีนะของโยมเนี่ยลึกๆเลยมันมีคำว่าต้องเอยเยอะไปนะมันต้องกับตัวเองมากไปมันมันบังคับตัวเองจะเอาดีให้ได้อนะไรเงี้ยดังนันเรียนรู้ไปใจไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลาง จ, นะจำประโยคนี้ไว้ก็พอแล้วใจไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางนะจําประโยชน์นี้ไว้แล้วจะเจริญกราบน้ำส ก, กาวหลวงพ่อครับ ฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายปีครับแล้วก็ปฏิบัติไหว้สวดมนต์ไว้บะเช้ า, ชาเย็นก็เดินสงคมบ้างนั่งสมาธิบ้างก็รู้สึกชีวิตก็ดีขึ้นนะฮะในในลักษณะของของของธรรมก็ดีขึ้นแต่ว่ามันหลายปีเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันรู้สึกมันไม่ดีเท่าที่ควรไม่ได้ไม่ได้ดีทั้งใจมันดีเท่าที่ควร มันดีเท่าที่ควรเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปพอดีกับเหตุอยู่แล้วนะะชีวิตคารว่าทําได้ขนาด น, นี้ก็เก่งแล้วสังเกตไหมว่าขันมันแยกได้ไกายกับใจมันโคน่นลนรู้สึกไหมนัน่นนา น, น, น, น, นทีเห็นแวบครับรู้สึกไหมว่าความรู้สึกกับจิตใจก็โค่นละอนกันอย่างความโกรธกับจิตเนยโค่ น, นกันกันก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างเออเห็นบ่อยๆหน่อยนะให้เห็นคอยสังเกต ในมุมที่ว่ามันโค่นล้านโค่ล้านกายกับใจโค่ล้านกันความรู้สึกกับจิตก็โค่ล้านกันสังเกตตัวนี้เรื่อยๆนะเดื๋ยการเจริญปัญญาจะดีขึ้นเพราะตอนนี้มันรู้สึกตัวอยู่เฉยๆมันไม่ค่อยยอมเดินปัญญาเะฉะนั้นจะช่วยมันนิดนึงก็คือสังเกตลงไปมันโค่ล้านมันโค่ล้านดูไปเรื่อยๆหน้ามันแบบทุกวันนี้มันแบบมันเฉยๆมันเห็นทุกเยอะฮะหลวงพ่ออันนี้ว่า ทุกแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมันไม่มีปัญญาครับมันไม่มีปัญญาคนะดูมไปทุกข์กับใจเขาโคล่ากันแล้วก็ทุกข์เองมันก็มาของมันได้เองห้ามมันก็ไม่ได้อย่างนี้เรียกดวนนัตตาดูมันมาแล้วดูมันไปดูมันมันเป็นโคล่ากันมันไม่ใช่เราให้เห็นมันมาแล้วมันไปมันไม่ใช่เราหรอกความทุกข์หรือกิเลสหรือสุขมันเหมือนกันหมดนะ ตัวยอย่างนีนะ้ถึงเดินปัญญาต่อไม่งั้นใจมันจะไปรู้อยู่เฉยๆคือบางทีก็เห็นาบางทีก็ตามไม่ค่อยทันเดอส อ, อนมันบ้างเตือนเตือนมันให้ดูนะครับกนะารรับสักการกับใจลอยละคนที่สองนะไม่ห้ามนะแค่ว่าใจลอยไปเราดูขอาคุณนะสมาธิเพิ่มขึ้นแล้วรู้สึกไหมแค่รู้สึกอย่างนี้นะสมาธิมันจะเกิดของผมก็ฟังซีดีหลวงพ่อ มาต่อเนื่องเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ลองฝึกปฏิบัติเลยตั้งนต่ที่ฟังนะครับก็อยากจะมาทำเพราะ ว, ว่าที่ทําปฏิบัติไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างสังเกตไหมว่ามันแยกขันได้กายกระใจมันคนละสวนกันความรู้สึกกระใจก็คนละอันกันขันมันเริ่มแยกเราละเห็นไหมตัวนี้มันไยัากหน้าครับเห็นเราเห็นด้วยใจนะด้วยความรู้สึกได้รู้สึกไหมลองๆขยับเนี่ยลองขยับ รู้สึกไหมมันไม่ใช่เราก็มีรู้สึกบ้างไม่รู้สึกบ้างเออถ้าเกลือเมื่อไหร่ก็เป็นเราครับด้วยแล้รสึกถูกแล้วลอเออครับรเพียอนหลวงพ่อผมฟังซีดีขอเวลานอกหลว ง, ลงฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายปีก็ทีแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าพยายามฟังมานานมากเลยค่อยๆเข้าใจขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็รู้สึกว่าจะก้าวหน้าที่สุดก็ไอ้ตอนสักสี่ห้าเดือนมาเนี้ยคือเดินจงกรมในรูปแบบทุกคืนออืพอเดินแล้วเดี๋ยวออรู้สึกเออรู้สึกตัวได้ได้ได้เร็วแล้วบ่อยอย่างกลางวันในวางที่เดินไปเนี้ยก็นึกถึงเออทาในรูปแบบเดินไปนั้นไปนี่ก็ก็รู้สึกว่าเออกายมันเคลื่อนไหวเออทังอย่างนั้นถูกแล้วก็รู้สึกบางทีออยางอย่างเมื่อคือนเนี้ยผมนอนตื่นสักตีห้าครึ่งนะ ก็้สึกเอ๊ะมันพลิกไปพลิกมามหมุดหงิดก็รู้จิตเราน่ากลัวเครียดเนี่ยก็รู้ว่าจิตหมุดหงิดก็ก็ไม่เคยส่งลงการบ้านกับหลวงพ่อก็ประเมินตัวเองไม่ถูกเนะ่ยอย่างเดินไปเนี่ยกลางคืนเดินไปฟังซีดีไปด้วยบางคังใหม่ๆเนี่ยตามทําตามที่หลวงพ่อบอกห้านาทีตอนเนี้เป็นชั่วโมงแล้วใช่ไหมแต่ เ, เพราะว่ามผมทําแล้วรู้สึกเออทําแล้วมัน มันเพลินใช่รู้รู้กายมันเคลื่อนไหวรู้ว่าจิตมันฟุ้งซ่านไปนู่นไปนี่ก็ตามมันเอ๊รู้เอิญฟุ้งอยู่แลยนะก็คือคือดูไปเรื่อยๆฮะแล้วก็ทําให้ติดนิ ส, สัยมาถึงกลางวันด้วยก็ก็ประเมินตัวเองไม่ถูกวันนี้ก็ตั้งใจมาฟังหลวงพ่อแต่ว่าไม่กล้าจะส่งการบ้านก็ประเมินตัวเองไม่ถูกอยากจะถามหลวงพ่อว่าของผมเนี่ยใสังเกตไหมว่าขันมันแยกได้ลนะ แยกขันได้นะแต่จุดอ่อนเนี่ยพื้นเดิมวงจิตเลยนะมันเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะครับผมคิดมากเลยเพิ่นะคิดมากคือสุดตัวนั่นแหละจุดอ่อ น, นะอย่าไปเชื่อมันครับต่อไปนี้รู้สึกเอาอย่าไปคิดเอาจับประโยคนี้นะรู้สึกเอาอย่าไปคิดเอาครับนะถ้าผ่านตัวนี้ได้ก็จะก้าวหน้าได้เมื่อนใจเวลาถลําไปอยู่ในโลกของความคิดเนี้ยไปนานครั บ, รบจะถลําไปนาน แล้วการบ้าน น, นี่องให้นะ<อ>รู้สึกเหร อ, อ <laughs> ไม่ใช่คิดเอานะเขายอมจุดอ่อนอยู่ที่คิดนี่แหละ <c oughs> <c oughs> เห็นว่าใจมันมันสว่างขึ้นมาครับกับน้ำมัศการครับหลวงพอ่อครั้งก่อนนี้คือหลวงพ่อให้ไปการบ้านไปดูกายครับก็โดยการคิดนำไปก่อนอครั้นี้พอคิดนำไปก่อนได้สักพักหนึ่งมันก็เห็นเป็นจิตมันแยกออกไปเออถูกครับพอจิตแยกออกไปแล้วมันก็เห็นเป็นท่อนๆนะครับใช่ ถูกครับแล้วทําไมบางครั้งมันเห็นอยู่ในนี้เวลามั น, มนจะเอาอะไรอย่างเงี้ยฮนั่นแหละมันไหวอยู่กลางอกออวัตตสงสารนหมุนอยู่ตรงนั้นเนี<อ>่ยลงหมุนหมุนหมุนก็เวี่ยงความสุขขึ้นมาเวียงความทุกข์ขึ้นมามันก็รู้สึกําคาญบางทีเออลำคาญให้รู้ะครับถ้าเห็นตัวนี้นะสมัยก่อนนะครูบาอาจารย์ชอบมากเลย เขาภาวนากันานานกว่าจะมาเห็นตัวเนี้ยนี่หลวงพ่อสอนทางรัดๆให้รแป๊แ บ, บเดียวก็เห็นละเห็นแล้วต่อไปจะเห็นแต่ทุกข์รู้สึกไหมว่าทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลยน ะ, ะบางครั้งมันก็ถ้ามันหลงไปมันก็มันก็ไม่รู้สึกแน่นอนแล้วลถ้าหลงไปจะไปรู้ได้ยังไงครับอย่าหลงนานนะครับถ้าไม่หลงนานเนี่ยจะเห็นทุกข์จิตนี้ทุกข์แล้วจิตเนี้ยทํางานได้อีกรู้สึกไหมมันทํางานได้อีกลุสึกครับนะ่นแะดูไปเร้่อย แต่ถ้าดูไปแล้วมันเครียด น, นะมันเหนื่อยมันทุกข์นะกลับมาไหว้พระสวดมนต์หยุดดูชั่วคราวทําสมถะครับนะและสมถะนี้จะเป็นที่พักของนักปฏิบัติเวลาที่เราเดินปัญญาไปแล้วเหน็ดเหนื่อยเรากลับมาทำสมถะครับบางทีดูมากๆแล้วทางานมันมันไม่ตีความคําพูดของคนเลยเออต้องใส่ใจนะผิดนาที่เวลาทํางานเนี่ยสติสมาธิปัญญาต้องไ่จดจ่ อ, อ ง, งานจดจ่อคนที่เราติดต่อด้วยไม่ใช่จดจ่ออยู่ที่จิต ถ้าอยู่ที่นี่ไม่มีคําพูดอครับแล้วฟังเขาพูดนะาเหมือนฟังลมพัดต้นไม้ครับไม่รู้เรื่องครับแล้วก็คราวนี้เราก็ดูออย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ครับดูไปนะถ้ามันพุ่งสั้นก็ทําสมาธิหมดเรีวหมดแรงทําสมาธิส่วนเวลาทํางานนะตั้งใจทํางานครับไม่ใช่เวลาปฏิบัติครับแล้วใช่ได้อยูข้อควรระวังต่อไปมีมีอะไรไหม ศีลห้าดีหรื อ, อยังศีลก็มีเรื่องพูดนะครับ เ, ออเรื่องพูดต<อ><ห>ัวไหนก็นดูระวังเรานะครับเนี่ทำให้เราฟูงครับขอมาส่งการบ้านภายในปีหนึ่งอะคะ่ะก็ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการนั่งสมาธิเพิ่มขึ้นตอนเช้าแล้วก็ทั้งวันก็ใช้ดูลมกับดูความอารมณ์รู้สึกก็ดีขึ้นนะคะรู้สึกว่าตัวเองทุกข์สั้นลงแบบ น, น้อยลงหลงหลง ทุก<ล>จน<า>ักนทะร์น้อยลงแต่พอมีเหตุการณ์ที่แบบคนใกล้ตัวเมื่อไม่กี่วันเนี่ยค่ะเราก็ใช้วิธีจัดแบบไม่ใช่จัดการวิธีดูอย่างนี้นะคะแต่พอพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเหมือนกับมันมีอะไรที่แบบเราก็เหมือนกับตัวเรายัางเป็นอย่างนี้อยู่แต่มังมีแบบข้างในลึกๆถ่วงๆอยู่ทั้งวันอืแล้วเราก็พยายามที่จะดูลมหายใจนั่งสมาธิแต่ก็ยังไม่ไใจไม่เป็นกลางแต่ยังเกลียดมัน แต่รู้อย่าที่มันเป็นอันนี้อย่าไปเกลียดมันรู้สึกไม่ไม่ชอบอยากให้หายใช่ค่ะเออไม่ได้ภาวนาเพื่อให้อะไรมีไม่ได้ภาวนาเพื่อให้อะไรหายนะแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายเกิดได้ดับได้แต่บางครั้งมันก็อยู่บางครั้งมันก็มาอือย่าคิดเยอะคิดเยอะไปดูอย่างที่มันเป็นนะ เป็นโรคคิดเดยอะเหมือนกันเะยใช่ค่ะไม่เอาอย่าไปเชื่อความคิดความคิดมันเป็นมาร น, นะกวางความดีของเรา<ม>หรืออาพิสังขารมันมารคือความคิดปรุงแต่งเราเองมันหลอกเราให้เราคิดธรรมะที่จริงมันหลอกเรา<ม>อย่าไปเชื่อมันให้รู้เอาให้รู้สึกเอาแล้วอีกคําถามนึ่งถามมีวันหนึ่งนั่งอยู่นั่งกระจกแล้วมันแป๊บเดียวนะดูมืนก็เอ๊ก เป็นใครไม่รู้จักแต่ตอนนั้นมันเวิบมันกลัวมากๆเออแล้วทําไงกับมันให้รู้ไปกลัวรู้ว่ากลัวต่อไปก็รู้ว่ามันไม่ใช่เราหรอกเนื่อใจมันยังยอมรับความจริงไม่ได้มันไปเห็นความจริงเข้าแต่มันยอมรับไม่ได้ว่าตัวเราไม่มีอมันกลัวอะไรมันลึกๆลงไปมันกลัวความสูญเสียตัวตนไปแล้วแล้วควรจะทําะไรอะไรไม่ได้ ให้รู้อย่างที่มัน เ, เป็นเ <laughs> ห็นไหมคิดมาก <laughs> พวกคิดมากเนี่ยนะ <laughs> คำถามที่ติดอยู่ริมฟีปาาคือจะทำยังไงดี <laughs> ให้รู้อย่างที่เป็น <laughs> อย่างนี้แน่นไป <laughs> บังคับแรงแน่น <laughs> เอิมจ้องมากไปไม่จ้องยิ้มหวาน <laughs> ไม่ยอมแล้วคราวนี้แน่นเลย <laughs> นวัสกา ร, ารมคะหลวงพ่อ หนูไปทําจริงที่หลวงพ่อบอกค่ะไม่ไม่จํากัดเวลาแล้วหลวงพ่อว่ามันเป็นยังไงคะฮ ะ, ฮะทำอะไรไม่จํากัดเวลา <c oughs> คือที่ ท, ที่ครั้งที่แล้วที่บอกว่าทาคณิกะสมาธิอะค่ะแล้วหลวงพ่อว่าให้หนูทําแบบชั่วโมงละสิบนาทีชั่วโมงอ๋อคือปฏิบัติมีเป็นช่วงๆไปสบายๆ <c oughs> นะใจจะมีแรงขึ้นไหมหนูเนี่ยก็รู้สึกดีมากตอนกลับไปประมาณแบบสี่ห้าวันนะคะ <c oughs> มันมีพลังแต่ว่าสังเกตตัวเองว่าคือหนูจะเอาความรู้สึกอยู่ที่ตาคือเหมือนอันนี้หนูทําถูกไหมคะหมายถึงว่ากระพริบตาหรือว่ามองอะไรหรืออรตาขยับเนี่ยคือมีสติอยู่ที่ตรงนั้นหลวงพ่อขาว่ามันจะเหนื่อยไปสิค่ะใช้อถามว่าใช้ได้ไหมได้แต่ตรงนี้นะหุ้ยเหนื่อยรึไหมมันจะซีเรียสไป <c oughs> ต้องกลับไปเป็นอย่างเดิมที่หลวงพ่อสอนตั้งแต่แรกว่าค่ะ คือไหลรู้ว่าไหลหลงรู้ว่าหลงได้แค่นั้นก็วิเศษแล้ว <c oughs> อย่างนี้มันจงใจมากไปนะอ๋อมันจงใจเยอะไปเดี๋ยวม่ได้เครียดแต่ว่าการที่เราทําเป็นช่วงๆรู้สึกไหมสมาธิเราดีขึ้นค <c oughs> ่ะมันจะดีขึ้นเป็นช่วงๆนะเขาจเจริญไปช่วงหนึ่งก็เสื่อมเสื่อมก็ทําปกติอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็จเจริญใหม่แต่จเจริญรอบใหม่มันดีกว่าเก่า <c oughs> จเจริญรอบใหม่มันดีกว่าจเจริญรอบเก่า หนูสังเกตว่าทุกครั้งที่หนูเหมือนจะเจริญนะคะจะต้องมีกรรมมาทําให้หนูจิตตกอย่างรุนแรงเ อ, อเป็นวันๆอี่ยงค่ะหลวงพ่อมันเป็นยังไงอะคะมือ น, นเป็นกรรมไง <c oughs> แกชวนวนตัวกุศลไปนะได้เท่านั้น เ, ออเราก็ลูกเจะอ ย, อยากกังวลกับคําว่าจเจริญและเสื่อมจเจริญและเสื่อมแสดงธรรมะเท่าๆกันมันอยู่ที่ใจระวังใจไม่ถูกไง เราจะเอาเจริญเราปฏิเสธเสื่อมนัม่นเจริญกระเสือมอะไรมีอิทธิพลเพราะนันะ้นถึงวิบากไม่ดีส่งผลมาจิตใจเราเศร้ามองรู้ว่าเศร้ามองไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบจิตก็เข้าสู่ความเป็นกลางนะมันจะเจริญทันทีเลยและกรรมใหม่ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยหนูก็กลัวว่าอย่างสมมติในแต่ละวันที่เราต้อง อยู่ในโลกเนี่ยถ้าเราขาดสตินิดเดียวสําหรับหนูหนูรู้สึกว่ามันจะรุนแรงมากอืในการตอบสนองกลับมาอาจจะรุนแรงกว่าคนอื่นทำยังไง น, นะคะพวกที่ภาวนานะภาวนาดีๆนะเวลาทํากรรมชั่วนะจะดีดกลับมาอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็จะแรงด้วยมันแรงกับตัวเองหรือแรงกับคนอื่นแรงก็ทั้งคู่เลยค่ะคือเราไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยเราไม่ตั้งใจก็ อาจจะไปกระทบเขาแล้วเขาก็กระทบกลับเรามาอย่างแรง <c oughs> สมควรแล้วแบบเก่ <laughs> <c oughs> งนะสมควรแล้ว <c oughs> แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ตั้งใจคือเราอาจจะขาดสติใช่ขาดซึ่งาาคนอื่ น, นคือเราถ้าเราเวลาเราปฏิบัตินะเราบังคับตัวเองมากนะเ <c oughs> วลาหลุดเนี่มันจะแรงงั้นปฏิบัติอย่าไปบังคับตัวเองมากนะัก <c oughs> ปฏิบัติในสบายๆเห็นไหมใจมีโทสะ รู้ทันเลนยในโทรศัพท์มันผุดขึ้นมาแค่นึกถึงก็หุดหีดละเนี่ยให้รู้ลงปัจจุบันไปพ่อครับหนูดีขึ้นไหมคะดีไม่รู้เหรอว่าดีขึ้นดีกว่าคราบก่อนที่โจเยอะเลยน ะ, ะสมาธิดีขึ้นเพิ่งเจอหลวงพ่อไปวไิลาเออนั่นแหละเจือธรรมะของพุทเจ้าไม่ใช่เวลาเยอะหรอกแต่ว่ามันจะเสืมนะค่ ะ, ะเราเจริญได้เสืมได้ มันอยู่ที่ความเข้าใจไม่ใช่เราจะเอาความเจริญมันอยู่ที่ใจเข้าถึงสัจจะถึงความจริงตอนนี้รู้สึกเบื่อก็ให้รู้สึกว่าเบื่อก็รู้สึกไป <ละ S 2> แต่ว่ามันไม่ใช่เบือ่อนี่พิธาอย่างเดียวหรอกบางทีโทสะแทรกให้รู้ว่ามีโทส ะ, ะให้คนเห็นกค่ะเขาร อ, อนานกลุ้มใจมกราบนุ่มสการค่ะก่อนอื่นเขากราบขอบ ราบแทมเทาหลวงพ่อที่ทําให้โยมได้รู้จักคําว่าสุขแล้วก็สงบแล้วก็สองให้รู้จักคําว่าวิปัสนาในความหมายวิปัสนาที่แท้จริงเพราะโยมได้ดูรูปนามมา20ปีมไม่เคยไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยเ ข, าข้าคอสมาธิแตอนนี้แล้วโยมก็รู้สึกว่าทั้งหมดเหตุโยมจะเป็นเด็กอนุบาลเมื่อ3ปีที่แล้วเพิ่งรู้จักหลวงพ่อแล้วก็ได้ได้ซีดีหลวงพ่อแผ่นหนึ่ง แล้วก็ได้ไปกราบหลวงพ่อที่วัดแล้วตอนนี้ก็ก็กลับมาปฏิบัติพอกลับมาปฏิบัติเนี่ยได้ระยะหนึ่งก็ค่อนข้างดีแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะไปหาหลวงพ่ออีกก็ไปไม่ได้เนื่องจากนั่งรถนานไม่ได้อตอนนี้ก็เอ่อก็ใช้ซีดีของหลวงพ่อกับการที่ว่าตอบคาถา ม, มการบ้านนะคะก็เข้าใจว่าเข้าใจาตัวเองว่าตัวเองเนี่ยคงเดินทางถูกต้องคะไส้เขันมันแยกได้<ย>รูปนามมันแยก อันนี้โยมค่อนข้างโมนะคะที น, นี้ตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่โยมสงสัยแล้วอยากจะไปกราบถามแล้วก็ไม่ได้ถามคือตอนที่เราเดินโยมจะสนัดเดินจงกรมขณะที่เดินจงกรมอยู่เนี่ยค่ ะ, ะก็ตอนหลังๆเนี่ยก็คือพอหลังจากปฏิบัติก็จะได้เห็นอย่างว่าไม่เห็นคอไม่เห็นอะไรแต่นะคะเห็นแขนเป็นทอ่อนไม้เห็นแขนเป็นท่อนไม้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โยมกําลังเดินอยู่ แล้วมันเป็นโพเพยแล้วก็อัคคจันนะฮะมันก็พุ่งออกมาโยมก็ตกใจพอตกใจปุ๊บก็เห็นเหมือนอะไรสักอย่างออกจากจิตเราออกจากตัวเราเนี่ยมันวิ่งปุ๊บไปสถานที่ที่เราเคยผูกพันแล้วมันก็วิ่งกลับมาอันนี้เรียกว่าแยกขันหรือเปล่าฮะไม่ใช่อะเนื้อจิตมันวิ่งไปนะก็ให้รู้ไปแยกขันนี่ยไม่ต้องวิ่งไปนู้นไปนี่เลยนะมันอยู่ขนานี้ลองยิ้มสิรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มค่เนี่ยเรารู้เรื่องควารู้สึกไง ตัวความรู้สึกเรากับร่างกายคนละอันกันรู้สึกไหม<า>ลองลองยิ้มใหม่ทึ่งยิ้มหวานๆรู้สึกไหมร่างกายเป็นยิ้มเนี่ยตัวร่างกายกับตัวความรู้สึกนะ่ะคนละอันกันนะค่อยๆหัดไปก็ได้นะวันๆก็นั่งยิ้มไปเรื่อยๆตัวนี้ตัวนี้ก็พอเมื่ อ, อต้นเดือนเบสตาปีที่แล้วฮะโยมก็เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมฮะ ช่วงที่เกิดอุบัติเหตุอาโยมกําลังอาบน้ําอยู่ในห้องน้ํา <gö. reorgan. S 1> อันนี้ก็เหมือนกับมันมีอะไรมาบอกสักอย่างหนึ่งจะเสร็จอยู่าโยมก็ก้มไปมองที่เทา้าแล้วก็เอาเท้าทําน้ําเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันลื่น น, นี่นาแล้วก็มองอีกแล้วก็บอกเอ๊ะมันลื่น น, นี่นาในขณะที่ครั้งที่สองที่บอกมันลื่น น, นี่นาเราจะต้องหกล้มแน่เลย Univers มันเหมือนมีอะไรมาบอกแล้วโยมก็หงายท้องลงไปเลยแล้วก็เห็นเท้าข้างซ้ายเนี่ยค่ะมันก็ถลไปแทรกกับกําแพงใช่ไหมคะแล้วโยมก็ตกใจแล้วก็แล้วก็ลุกขึ้นมา รวบรวมตัเองลุกขึ้นมาแล้วในความรู้สึบอกว่าเราหนักแน่เลยเที่ยวเนี้ยโยมก็พยายามไปเปิดประตูเข้าไว้ตอนนั้นอยู่ในโรงแรมนะะเสร็จแล้วไปเปิดประตูไป ห, หาหาแม่บ้านเขาไม่มีใครอยู่เลยเพราะว่ามาลูกที่หลังว่าเข้าไปทานข้าวนิยมอยากทราบว่าขณะที่เกิดอุบัติเหตุคะโยมมีสติสัมปชัญญะอยู่ใช่ไหมคะใช่ทุกมันจะเห็น<ช>เป็นชอ็ชอๆเลยน ะ, ะเหะ็นอย่างเห็นเท้าถลยใจมันยุบเป็นคนดูตอนนั้นจะไม่ตกใจนะ มันตกใจทีหลัง แ, ลแต่ตอนที่มันบู๊สนิยมไม่เห็นนะคะ<ม>พอรู้แต่ว่าเอ้ น, นี่เราลื่นแน่เลยแล้วมันก็ปุ๊บไปเลย ะ, ะ, ะตรงนั้นไม่ทันแล้วเสร็จแล้วก็แต่นิยมก็ยังสงสัยว่าถ้าโยมตายตอนนั้นนะคะวิญญาณโยมจะไปที่ไหน ก, ก็วนรอบปีกวหาแล้วกัมันก็ไปสมควรแก่กรรมไม่ไม่ไม่ลงให้ร้างใช่ไหมไม่ลงหรอกคนั่นมีสติอยู่ อ๋อเลยค่ะขอบคุณมากค่ะโยกงกังวลมาปีกว่าแล้วจริงๆค่ะทุกมาตลอดเลยแล้วก็นึจกจ่ายบอกฉันจะไปไหนนะเนี่ยแลเสร็จแล้วยองก็ไม่มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อเจนมหาเพราะเรานั่งรถไก่ไม่ได้คื อ, ถ, อถ้ามีสติและจิตเป็นกุศลถ้าจิตเป็นกุศลแล้วก็ไม่แปอบายเพราะนั้นมีสติไว้แล้ดีที่สุดแล้วล่ะค่ะตอนนี้อันนี้ตอนนี้เมื่อสัก4ีหเดือนที่ผ่านมานี่ค่ะโยงก็คือหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยยงก็ ปฏิบัติไม่ได้เลยได้แต่สวดมวนต์กับแผ่ส่วนกุศล อ, อันนี้พอมาช่วงตอนประมาณสักเมื่อสี่หเดือนนี้นะคะก็เริ่มดีขึ้นก็อยาจะทำแต่ทำไม่ได้มันหายไปหมดไม่รู้จักเลยว่าสมาธิเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงทำไม่เป็นแล้วค่ะตอนนี้ก็โยมก็ไปเอาซีดีของหลวงพ่อมาเปิดนี่เปิดฟังไปแล้วก็ใส่เสื้อไปขณะที่ฟังไปก็คิดตามบ้างก็ ใจก็กระโดดไปที่อื่นบ้างมันมีช่วงหนึ่งตัวฮะตอนที่จะจบของหลวงพ่อหอหลวงพ่อบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยมันเป็นของชั่วคราวมันไม่มีอะไรที่เป็นของของเราแม้กระทั่งตัวเราเองอวันหนึ่งเราก็ต้องคืนให้โลกไปอยู่ๆมันก็เหมือนกับมีอะไรมันกระชากใจอยู่มากระตุกเพิม่มาเนี้ยแล้วโยมก็คิดตามพอคิดตามแล้ว ก, ก็รู้ว่าเอออีกหน่อยก็ไม่มีตัวเราแล้วนะในโลกนี้แล้วก็ไม่มีเราอยู่ในบ้านหลังนี้ พอคิดขึ้นมาแล้วก็มองไปรอบๆเอ๊ะบ้านนี้มันก็ไม่ใช่ของเรานี่นะเรายืมเขามาใช้ชั่วคราวแล้วใจมันก็หายนะแล้วก็เศร้ามากเลยแล้วก็มานึกถึงลูกถึงสามีแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเราสักอย่างเราใช่แต่ใจมันยังยอมรับไม่ได้ไงเราสมมไม่ได้โสดามันสมมติขึ้นมาแล้วจเรายมก็เศร้าเศร้ามากเลย แล้วก็จากวันนั้นมายบก็มองอะไรก็จากที่เราเคยหวงแหนนะเราเคยงกมากเลยอันนี้ก็ไม่ให้ใครขอก็ไม่ให้มาตอนนี้มึงเข้าสึกว่ามันเป็นภาระอยากให้ใครมาเอาไปละคือคื อ, ค อ, คอรู้สึกว่ามันไม่มันมันมองมันมันเอง น, น, นหลปัญญามันเกิด น, <ๆ>นะมันเห็นแล้วว่าเราอยู่ในโลกเนี้ยยืมเพามันใช้ชั่วคราวถึงเวลาก็คืนตอนยังไม่ไม่คืนนะก็หวงเอาไว้แต่สุดท้ายก็ต้องคืน เนี่ยฝึกไปเร้แอยสุดสำคัญคือใจมันยังไม่ได้ยอมรับจริงนะมันยังมีความเศร้าใจปนอยู่ให้เราภาวนาต่อไปอีกดูไปเรื่อยๆถึงวันที่สติปัญญาพอมันก็ผ่านองมันเองและหลวงพ่อขะอีกนิดนึงนะค ะ, ะ ค, คือคือโยมอยากให้หลวงพ่อช่วยอธิบายตรงที่ว่าพอเวลาเราเราเจ็บป่วยมากๆแล้วให้เราทิ้งกายให้เอาจิตไวอะค่ะคือโยมยว่าโยมยังสับสนอยู่อ๋อดูอย่างนี้เลย ถ้าร่างกายเจ็บ ป, ป่วยนะใจเราเป็นยังไงใจเรากังวลรู้ว่ากังวล ใ, ใจเราเสียดายอะไรอ่อนรู้ว่าเสียดายรู้ว่าอะไรว่อนรู้ทันใจไปเรื่อยๆส่วนร่างกายนอะไรให้คนอื่นเขารักษาไปให้หมอเขาดูแลไปนะเราคอยรู้ทันใจของตัวเองไหมบมายควาว่าเรายังอย่าสูงเพราะว่าโยมโยงเคยเคยดูนะฮะเวลาที่เราปวดสมมติเราปวดท้องใช่ไหมโยมก็ดูที่ที่มันปวดอะฮะปวดบางทีมันก็ปวดจนแบบแทบจะทนไม่ได้ แล้วบางทีเราก็เห็นว่ามันหายไปอะไรเงี้ยตอนนี้เมีอยู่หลายปีแล้วหยงเคยปวดท้องแล้วก็แบบกําลังจะขาดใจเลยแล้วโยมก็หมดหมดที่จะพึ่งละสวดมนต์ก็ล ะ, ะ, ะอะไรก็ละแล้วก็ไม่ไม่หายโยมก็โกรธขึ้นมาโยมก็บอกกับเทวดาบอกว่าเอา้าอยากเอาชีวิตไปก็เอาไปเถอะอย่าทรมานเลยแล้วโยมก็ลงไปนอนเตรียมตัวตายเสร็จแล้วก็ก็หลอแล้วก็สวดมนต์พุโทโธพุดโธไปแล้วมันก็ หลับไปหรือสลบไปโยมก็ไม่ทราบ ม, มันหายไปวันหนึ่งเลยคะตื่นมาคืออีกยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเพราะนั้นโยมทาถูกกับอะไรฮะไม่ถูกหรอกไปกลัวเทวดา <laughs> ตอนที่ท่องพุโทโธแล้วเร า, เาไม่สนใจมันนะฮะถ้าอย่างนั้นได้สมาธินะ <c oughs> ถ้าจะฝึกแบบสู้ด้วยปัญญาแล้วก็ดูเห็นใจที่ไม่ชอบรู้ทันใจรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่ยไม่ใช่รู้สึกทางร่างกายนะร่างกายปวด แต่ว่าใจเราไม่ชอบทําไมร่างกายมันปวดแต่ใจเป็นคนไม่ชอบเนาะใจไม่ได้ปวดด้วยเลยแต่ใจดันไปไม่ชอบเนี่ยใจไปแทรกแซงใจเรามันเข้าไปใส่ใจใช่ให้เรารู้ทันที่ใจเนี่นะใจเนี่ยชอบแทรกแซงชอบจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเวแล้วเราต้องภาวนาไว้นะเวลาถ้าถ้าชวนตัวจริงทําอะไรไม่ได้นะพูดโธไว้มารับเราไม่ตกนรกค่ะกลับนรมาสการหลวงพ่อครับส่งกันบ้านครั้งที่สองแครับ ครั้งแรกผมส่งว่าทำกรรมฐานแล้วหินหัวใจมันเต้นตุบๆหลวงพ่อแนะนำให้คอยดูใจที่มันไหลไปจากตรงตุบๆนะครับผมก็ไปดูดูอยู่ช่วงหนึ่งช่วงหลังๆก็รู้สึกว่ามันเรียบๆหรอครับมันมันไม่มีอะไรบือหวาครับดูไปก็บางทีก็สงสัยเอ๊ะนี่เราย่อหย่อนไปหรือเปล่าแต่ก็ยังทำยังทว <ำ S 2> นาไปน ะ, นะมันจะยิ่งภนาแล้วเรียบง่ายไม่ใช่มีอะไรบือหวาหรอก มันอยู่ที่จดินิสัยบางคนพอนานแล้วหวือหวาตลอดบางคนก็ไม่หวือหวาอะไรนะรู้ไปอย่างที่มันเป็นรู้ซื่อซื่อรู้สบายครับผมที่พอนานใช้ได้นะครับู้สึกไหมสบายขึ้นครับก็เห็นกายอยู่ตั้งห่างกันมากตัวไม่หวือหวาเหมือนตอนเออมันจะหวือหวาอะไรของมันเคยเห็นแล้วครับอยากจีบสาวทีแรกอ่ะก็หวือหวาใช่ไหมพาจีบมาอยู่ที่บ้านเราไม่หวือหวาละเออพอเห็นบ่อยคเนี่ย ขันมันก็แยกอยู่นึ่งเนืองมันแยกอยู่ครับถึงบอกว่าไม่มีปัญหาหรอกการตอบช่วงนี้ก็มีวิบากไม่ค่อยดีลุมก็พยายามจะประคับประคองตัวให้อยู่ในทางอยู่ครับรักษาศีลไวหมครับผมขอคําแนะนําการพาวนาต่อแล้วไปเหมือนเดิมครับขอบคุณครับขออนุญาตนะคะอไม่เคยส่งกันบ้านนะคะก็คือว่าเอก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือฟังซีดีท่าน บ้างนะคะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยคือก็ฟังบ่อยขึ้นนะคะโดยที่คือจริงๆปกติเนี่ยเป็นคนคิดเยอะนะคะจิตกังวลตลอดแต่ก็ใช้ไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบอะคะ่ะใช้การปฏิบัติแบบรู้กายรู้ใจระหว่างวันนะคะอย่างเวลาฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยก็แวบไปคิดอย่างอื่นก็รู้ทันนะคะแต่ว่าคือช่วงหลังเนี่ยไม่สบายบ่อยนะคะก็เลยใช้การเจ็บความทุกข์และความเจ็บปวดเนี่ย มาเป็นการปฏิบัตินะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่ารู้ว่ามันควบคุมไม่ได้มันทรมานมากก็ในข้อ น, นั้นเวลาเจ็บมากมากนะใจเราไม่ได้ทรงสมาธิจริงเนะี่ยมันดูยากเดี๋ยวสติแตกถ้าเจ็บมากๆอ่ะให้คอยรู้ทันใจไว้ดีกว่านั่นร่างกายเจ็บใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเนี่ยคอยรู้ทันความรู้สึกของใจนะงั้นเวลาร่างกายเจ็บปวดมากๆเนี่ย กำลังสมาธิไม่พอไปดูแล้วจิตจะฟุง้งซ่านเงั้นให้คอยรู้ทันจิตไหมจะง่ายกว่าแล้วก็เวลาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยควรจะมีเครื่องอยู่ของจิตจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็อยู่ไปแต่ไม่ได้อยู่แล้วบังคับจิตให้สงบนะอยู่แล้วเป็นแค่เครื่องสังเกตจิตเท่านั้นเช่นหายใจไปแล้วถ้าจิตหนีก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมก็รู้ฝึกบ่อยๆ เนืหายใจไปจิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้รู้ทันจิตบ่อยๆเราจะได้เอาไว้ช่วยตัวเองได้เวลาขับขัดรักษาจิตได้ก็คือได้หมดแล้วเสียจิตแฟันเดียวก็เสียหมดเลยเขาคนที่เพ่งแรงไปเพ่งอย่างนี้คือด่าทนะการนบนมัชการค่ะท่าน ปฏิบัติมาเข้าเก้าปีที่ปีที่เก้าค่ะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งได้ไปกราบพระแก้วมรกตค่ะแล้วก็ถัดจากนั้นก็ไปกราบสมเด็จยานแล้วก็พอดีเลือกกราบนะบพอดีดมีครูบาอาจารย์บอกรวมทั้งหลวงพ่อด้วยค่ะแล้วก็เลยไปนั่งทานข้าวก็เห็นคนสองคนความเห็นไม่ตรงกันปกติเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่คิดว่าใครถูกใครผิด Mm hmm. โดยอุปนิสัยคะ mm ่ะ hmm. แต่วันนั้นเนี่ยมองแล้วก็ไม่เห็นไม่ไม่ได้คิดอยากจะเข้าไปทำอะไร mm hmm. ก็ย้อนกลับมาดูที่ใจตัวเองว่าอะไรมันเกิดขึ้นทำไมเราไม่เป็นเหมือนเดิม mm hmm. ก็กลับมีความรู้สึกว่าเรามีแต่ความปิติอะคะ่ะ mm hmm. มีแต่ปิติเกิดขึ้น mm hmm. แล้วก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรเลย mm hmm. ก็ในที่สุดก็จัดการกับเรื่องแตงกังได้ก็เลยแต่ว่ามันไม่ไปต่อที่สุข แล้วก็ไปเอกาคาตาสุดท้ายไม่ไม่ได้ <c oughs> ก็เลยลืมไปว่ามันมีทางอีกอันคือปิติแล้วไปสงบแล้วก็ไปสุดท้ายได้เหมือนกันได้ก็เลยคิดว่าสิ่งที่ได้เห็นนั่นเนี่ยเป็นเป็นปิติที่แท้จริงใช่ไหมคะใช่ค <isas? S 2> <ช>่ะเราก็ดูไปนาปิติเกิดขึ้นก็อย่ากให้มันครอบใจเราได้ค่ะหเห็นว่ามันมาแล้วมันก็ไป ใจก็สงบระงับปัจสัทนี้ก็เกิดค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ในวันนั้นก็เกิดสภาวะนั้นอีกสองครั้งแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดไม่มีก็ช่างค่ะแต่ว่ารู้สึกไหมใจเรามีความสุขค่ะเนีมามันสงบระงับลงมาใจเราก็สบายแต่คราวนี้เราก็ดูไปร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราค่ะดูบ่อยบ่อยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะท่านพาวนานดีขึ้นเยอะนะเยอะมา ค่ะขอกราบขอพระคุณหลงพ่อปราโมทปราโมทโชว์เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้โปรดเมตตาแสดงธรรมให้กับพวกเราเชาวใช้ราชการและญาติธรรมทุกท่านค่ะได้รับฟังสิ่งดีๆเพื่อนําไปสู่หนทางสว่างแห่งชีวิตในโอกาสต่อไปมีญาติธรรมตั้งใจนจําจตุปัจจัยเย雅ธรรมมาถวายหลวงพ่อข้าพเจ้าขอขอนุญาตเป็นตัวแทนกล่านวนําถวายกรุณากล่าวตามพร้อมกันค่ะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจตุปัจจัยเย雅ธรรม กับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แดหลวงพ่อปราโมทปราโมชโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับจตุปัจจัยทายธรรมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สาบสิ้นการลนานเธอยถาวะริวหาปุราภิลิปุเรนตีสาคขรังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกัปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติรโสยะถา สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรคโควินั ส, สตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจจังวุทธาปจายโนจ ต, ตารูธรรมาวัทันตียุบันโนสุขังพระลังหลวงพ่ออนุโมทนานะทางบริษัททางผู้จัดและก็พวกเราที่มาฟังธรรมกัน เอาธรรมะไปชีวิตจะได้ดีขึ้นนะต่อไปพอเราพอนาไปเราเข้าใจคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเราจะได้บอกต่อได้รักษาสืบทอดพระศาสนาไปอย่าปล่อยพระศาสนาให้มันตับศูนย์ไปในรุ่นพวกเราอนะสืบทอดไปให้ได้